เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเรามีความสนใจใครจะได้ยินเสียงอาจเสียงรรมโดยเฉพาะที่บ้านอารีตรงนี้มาหลายรอบแล้วแต่มารอบนี้มีชุดดำเป็นส่วนใหญ่อะ พวกเราแต่งตัวชุดดำเป็นชุดใหญ่ชุดแบบนี้เ็าเรียกว่าชุดไวทุกถ้าเป็นงานก็เป็นงานอวมองคลแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เรากำลังจะพูดธรรมะธรรมะพูดตอนใดที่ไหนเวลาใดเป็นอุดมมมงคล เป็นสริกเป็นมงคลถ้ากลางงานอาวะมงคลก็ได้ <c oughs> <c oughs> คำหนึ่งอยู่เสมอว่าเราพูดไปแล้วทำไงพวกเราจะได้เข้าใจเรื่องอัจเรื่องรรมและจะได้เอาข้ออัจข้อธรรมเหล่านั้นไปถือตามไปประพฤติตามไปปฏิบัติตามเพราะฉะนั้น จึงเล็งเห็นว่าการที่เรานั่งฟังไปด้วยเรานั่งภาวนาไปด้วยเป็นเรื่องที่ดีดีที่สุดเพราะการที่เราตั้งใจภาวนานั้นมันเป็นการตั้งใจแต่มันไม่เป็นการขาดความเคารพเพราะมันเป็นการนั่งตั้งใจภาวนาการฟังอัดฟังธรรมเราก็ฟังเพื่อที่จะภาวนาเมื่อเรา นั่งภาวนาไปด้วยเรานั่งฟังไปด้วยมันเท่ากับได้สองกำลังสองพลังพลังหนึ่งคื อ, อเราตั้งอกตั้งใจภาวนาแต่ในขณะเดียวกันหูเรายังไม่ดับหูเราได้ยินบางคราวเราก็อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธของเราหรือใครจะถนัดทองน้อยยุบหนอก็แล้วแต่เราก็ให้จิตของเรามันอยู่ไปได้ประโยชน์ เท่ากับว่าเรานั่งฟังแข่งกับเทศสียไปด้วยและในขณะเดียวกันเสียงเข้าทางหูถ้าหากใจของเรามาเกาะ อ, อยู่กับเสียงแล้วก็จิตใจซึมซับเข้าไปสู่อัดไปสู่ธรรมที่เป็นเนื้อหาสาระอยู่ในข้างในเราก็เกาะ อ, อันนั้นไปขยับจากภาวนามาอยู่กับคำเทศตกจากคาเทศไปอยู่กับคาภาวนาให้มันอยู่กับงานสองงานนี้แค่นี้ ตอนนี้ที่เรากําลังจะฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้เรามาคํานึงอย่างนี้ว่าการฟังอย่างนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์ได้ความสงบได้ความรู้ไปในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปให้พวกเราตั้งใจตั้งใจเข้าที่นั่งภาวนาไปเลยใครเคยบริกรรมภาวนาอย่างไงได้ผลก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจบริกรรมภาวนาอย่างนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ฟังไปด้วยอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นโมววตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตจนะโมะววะตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตจนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตจนะปุญญานิปะโลกัสมิงปติธ่าห้อนตีปานินันตี <c oughs> นั่งภาวนาไปสบายๆและก็นั่งฟังไปสบายๆทาใจให้สบายที่สุดเรื่องของการฟังธรรมนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องโอปะณะอโกการโอปะณะอโกนั้นเป็นการกระตุน้นกระตุกให้เกิดความสํานึกรู้สึกตัวในขณะที่เราฟังไปพร้อมๆกันที่จะเรียกว่าโอปะณะอีโกโอปะณะอโกน้อมเข้ามา ทำทุกบททุกบาทนั้นท่านให้เราศึกษาท่านให้เราฟังเพื่อให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่กายของเราน้อมเข้ามาที่ใจของเราน้อมเข้ามาที่กายของเราทำความรู้สึกที่กายของเราน้อมเข้ามาที่ใจของเราทำความรู้สึกอยู่เฉพาะใจของเราหรืออยู่กับงานที่เรากําลังบริกรรมอยู่นี่คือการตั้งใจฟ e ังทำถ้าหาเราฟังแล้วส er ักแต่ว่าฟังเฉย ไม่ทําให้เกิดการน้อมเข้ามาน้อมดูข้างนอกน้อมดูข้างนอกน้อมเข้ามาข้างในหรือจะพิจารณาข้างในแล้วก็ย้อนน้อมไปข้างนอกเพื่อมาเทียบมาเคียงกลับไปกลับมามันเป็นการจุดประกายให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นให้เราจับหลักอันนี้แหละแม้แต่ลุงตาท่านก็พูดอยู่ว่าการตั้งใจฟังทำภาคปฏิบัตินั้นการฟังไปด้วยตั้งใจภาวนาไปด้วย ท่านว่าได้ผลได้ผลมากกว่าเรานั่ ง, น, งนั่งฟังอย่างเดียวเพราะมันได้ความตั้งใจการที่เราจะตั้งใจได้เต็มรอยนั้นเราจะต้องภาวนาอย่างอื่นอาจจะตกไปบ้างทํำนุนทํานิดทํานี้ทำธุละททปะปังเหมือนอย่างที่เราทําทุกวันเราอาจจะคิดว่าเราทําดีแต่บางครั้งเราก็ปล่อยจิตล่องลอยเล็ดลอดไปอย่างอื่นแต่เราตั้งใจภาวนานั้น ลอดไปที่อื่นแม้แต่ขณะเดียวก็ไม่ได้ถือว่าจิตออกนอกไปแล้วหนึ่งขณะสองขณะสมขณะบางทีออกไปเป็นสิบขณะเรายังไม่รู้จักด้วยซ้ําไปว่าจิตเราไม่อยู่มันออกไปตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรก็ไม่รู้ด้วยเหตุที่เราฝึกฝนอบรมได้ยินได้ฟังมาเรื่อยๆเนือ ง, งการตั้งอกตั้งใจที่จะอยู่ในคำบริกรรมความชํชนานิจํานานความคล่องตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะมีขึ้น ทำให้เราปลุกตัวเองตื่นตัวเองอยู่ทุกระยะทุกเวลาในเรื่องของธรรมพิจารณาข้างนอกแล้วก็น้อมมาข้างในพิจารณาข้างในแล้วก็น้อมไปข้างนอกทำความรู้สึกอยู่เฉพาะตัวอยู่อย่างนี้ทำให้ใจของเราได้รับความสงบจิตของเราก็จะไม่ไปติดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเพราะโดยปกติกจิตของเรานั้นมันติดจริงเ่านั้นแหละ สิ่งเหล่านั้นน่ะคือกามคุณสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหละท่าเรียกว่ากามคุณสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเหล่านั้นเป็นวัตถุกา玛ท่าเรียกว่ากามคุณสิ่งเหล่านั้นมีคุณไหมมีคุณจนจนท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณแต่ว่าการที่เราตั้งใจทำให้ใจได้รับความสงบเพื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั้น เราจะต้องใช้สติกำกับพิจารณาบริกรรมภาวนาให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าเราปล่อยให้จิตของเราล่องลอยไปกับรูปกับเสียงกับเปลี่ยนกับรถกับสัมผัสมันก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาอื่นที่เราไม่ได้ทำภาวนาหรือเนา่าเรานั่งฟังเทศเหมือนกับความเป็นอยู่ของเราพื้นๆทั่วๆไปนั่นเองแต่ละขณะแต่ละเวลาล้วนแต่เป็นการสังสมกิเลสเข้าสู่หัวใจกลายเป็นเรื่องของกิเลส ในขณะที่มันทำงานอยู่เป็นเรื่องของกรรมผลวิบากตามมาก็คือเป็นผลรายได้ของกิเลส ท, ทั้งหมดการที่เราตั้งใจภาวนาด้วยฟังเทศไปด้วยนั้นมันเป็นการดาริธรรมการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะั้นเป็นกรรมและกิริยาของกรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำกรรมวิบาก ทำกรรมวิบากกรรมก็คือกิริยาที่เราทํานั่นแหละเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันเป็นกิริยากรรมที่เกิดจากการดํำริของจิตของเราตกผลึกมาเป็นวิบากวิบากก็ดํารองอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองเนื่องทำให้จิตของเราก็จะเริ่มก่อตัวจะเริ่มสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาจนลืมลืมรูปลืมเสียงลืมกลิ่นลืมรสลืมสัมผัส ลืมเรื่องราวสารพัดที่เรามาเกี่ยวข้องผูกฝันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละวันทําให้ใจของเราได้รับความสงบอย่าลืมว่าความสงบของใจที่เราเผานายใจสงบ น, นี้เองมันเป็นการเริ่มเอาใจของเราออกจากกามนี่ามท่านหลายที่เราจะเอาออกได้เริ่มต้นไปจากการทําให้ใจได้รับความสงบนี้เองใจออกจากกามกามกามในที่นี้ก็คือวัตถุกามที่เราว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นเอง ในขณะที่เราตั้งใจก็ขอให้จิตของเราอยู่กับคําบริกรรมมันเป็นธรรมเป็นตํรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดแต่ถ้าหากเราไม่สนใจเราปล่อยจิตของเราล่องลอยตามอํานาจของรูปเสียงกลิ่นรถโพธตภมันเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดวันทั้งวันถ้าเราจะสมัครเป็นนักธรรมเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมดำริธรรมเราควรจะเป็นดําริธรรมกรรมวิบาส ผลได้ๆเป็นเรื่องของธรรมธรรมทั้งหมดถ้าเราสามารถเจริญได้ทุกอิริยาบถเหมือนอย่างที่ท่านพูดไว้ในมหาสติปัฏฐานมรรคผลนิพพานก็จะขยับเข้ามาหาเราเร็วเข้าเร็วเข้ า, าภาชนะของเราก็เริ่มจะเริ่มตื้นขึ้นเขินขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นคือเต็มขึ้นเต็มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเราตั้งอกตั้งใจทําอย่างต่อเนื่องโดยเหตุที่เราทําและไม่เป็นไปตามมานิสง์ที่ท่านพูดเอาไว้นั่นเอง กลายเป็นว่าเราปล่อยโอกาสให้ล่วงไปปล่อยให้กิเลสทำงานกลายเป็นกรรมกลายเป็นวิบากเป็นผลของกิเลสทั้งหมดถ้าเราลาพึงลำพานถึงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของอดของธรรมจะทำให้เราได้ทำกรรมวิบากเราต้องการทำเราก็จะต้องต้องการอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราไม่ปฏิเสธความเป็นอยู่ของเราเราต้องทำนูน่นทำนี้เราต้องทำมาหากินเราต้องทำมาหากิน เราต้องการปัจจัยสี่เราต้องการอาหารเราต้องการที่อยู่อาศัยเราต้องการยารักษาโรคเราต้องการเครื่องนุ่งห่มเราต้องการปัจจัยที่เรามีความจําเป็นที่เราจะต้องจจะต้องใช้จะต้องทําปัจจัยเหล่านั้นเราใช้ไปล้ะหมดไปใช้ไปละหมดไปเราต้องแสวงหาจําเป็นว่าเราจะต้องแสวงหาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเราเจริญทำเราปฏิบัติทำได้ไหมอ่า ถ้าเราเอาหลักมาหาสติมาปัตฐานมาเจริญมาทำเราสามารถเจริญได้เราสามารถทําได้เช่นอย่างเราทํางานเราก็อยู่กับงานสมมติเราเขียนหนังสือเราก็อยู่กับงานเรื่องเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามือเขียนไปใจนึกคิดนิดหน่อยแล้วก็ปรุงเป็นเรื่องอื่นไปมือก็เขียนไปปรุงเรื่องอื่นไป บางทีก็ล้างถ้วยล้างจานบางทีก็เก็บสิ่งเก็บของบางทีก็ยืนก็เดินก็นั่งก็นอนแต่เราไม่ได้มีสติมีจิตกำกับอยู่ที่อิริยาบถของเราหมายความว่าเราขาดการจำรวมรมะมัดระวังขาสติขาดสัมผััญญะเพราะฉะนั้นการเจริญสติการมีธรรมการพิจารณาธรรมการที่เอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้กับงานกับการที่เราทา ในอาคินกรรมที่เราทําเป็นอยู่นั้นเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาเวลาเพราะเราต้องการทำเราต้องเจริญตามหลักมหาสติแต่ถ้าหาเรามีเวลาเราเข้าที่สงบเบื้องแรกเราควรจะเจริญสมถะซะก่อนอย่าลืมว่าสมถะถ้าเราทําบ่อยครั้งเข้าสมถะนี่จะรวมกันเป็นพลังเป็นพลังในใจของเราเหมือนกับเป็นพลังธรรมที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในหัวใจของเรา คือจิตของเราได้รับพักได้รับความสงบไม่ปล่อยให้จิตของเราเนี่ยว้าวุ่นไปกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสกับปัญหาสารพัดที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราเราไม่ปล่อยไปกับมันเรามาต้องการทําให้ใจสงบเราอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธแต่ในขณะที่เราพิจารณาอิริยาบถต่างๆที่เราไปทํางานไปประกอบงานนั้นเป็นหลักการพิจารณาโดยเอาสติเป็นหลักพิจารณาตามหลักมหาสติปัฏฐานอ่า ไม่เป็นการทำให้เราเสียเวลาเพราะวเวลานั้นวิธีการนั้นเป็นเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นเวลาที่เราตั้งใจประพฤติธรรมอยู่เนื่องจากว่าเราใช้สติสัมปชัญญะกำกับควบคุมการงานเหล่านั้นที่เราทำจึงไม่เสียเปล่าไม่เสียประโยชน์มันเป็นการเจริญปัญญาทำให้เราเกิดปัญญาไม่ปล่อยให้ตัณหามันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราแต่เวลาเรามีเวลาพอเบื้องต้น เราควรจะทําความสงบให้เกิดให้เกิดสมถะการพิจารณาในแง่ของสมถะนั้นท่านให้อยู่กับเราคนเดียวครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นเน้นนะหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตานท่านเน้นเบื้องต้นเราจะต้องเจริญสมถะให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตขยับตัวถอยออกมาถ้าเราต้องการจะพิจารณาเนื่องจากว่าจิตของเราได้รับความสงบอยู่บ้างแล้วจิตมีพลังจิตมีกําลัง มันสามารถทําให้เรามากําหนดจดจอถึงหลักของสัจธรรมได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ด้วยเหตุที่เราตั้งใจเภานะหนาใจได้รับความสงบนั้น่ใจของเราเพิ่มพูนกําลังให้กับตัวเองมันมีกําลังจิตของคนที่ตั้งใจอบรมให้จิตของเราได้รับความสงบนั้นจิตมีกําลังจิตรวมพลัง มันรวมพลังลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรามาดูองค์ประกอบที่ท่านจัดเอาไว้องค์ของฌานน่ะนะฌานที่1ชึ่นที่2ชงฌานที่3ชมฌานที่4หมายถึงว่าความสงบระดับละเอียดลึกเข้าไปของของของจิตของเราระดับฌานที่หนึ่งปฐมฌานฌานที่สองทุติยฌานฌานที่สาตัติยฌานฌานที่4ี่จตุตตฌานเจตุตตฌานนี่เหลืออะไรเหลือแต่อุเบกขา กับเอกคตาเอกคตาต้องมาเป็นพื้นคือจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวมอถึงตอนนั้นจิตของเราได้พักได้รับความสงบได้รับพระเต็มที่แต่เรากจ็จะต้องเริ่มเอาไปตั้งแต่วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเราสามารถดํารงได้ไหมถ้าเราดํารงได้จิตของเราก็จะสงบไม่ปล่อยให้ขณะจิตมันทาให้ดึงจิตของเราไปใช้งานที่อื่น เช่นอย่างเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธในขณะที่จิตของเรายกจิตประคองจิตอยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยมันเป็นวิตกวิจารณ์วิตกคือความตรึกจิตมันพูดนึกวิจารคือตรองคือประคองวิตกความตรึกวิจารณ์ความตรองประคองพุโทโธแล้วก็ประคองประคองอะไรประคองพุโทโธนั่นแหละเอาอะไรประคอง เอาสติประคองประคองความรู้สึกที่จิต Thursday. ทําความรู้สึกอยู่ที่จิตทําความรู้สึกอยู่จำเพาะจิตแล้วก็ดำริคําว่าพุทโธพุทโธจากพุทไปหาโธจากโธไปหาพุทจากพุทไปหาโธจากโธไปหาพุททาความรู้สึกซึ้มเชื่อมประสานกันไม่ให้มันขาดช่วงแต่ส่วนมากเราทำไม่ค่อยเชื่อมไม่ค่อยประสานเราทําให้เกิดการก า, ราดช่วง เพราะฉะนั้นจิตของเราจึงไม่อยู่จิตของเรามันเล็ดลอดออกไปเล็ดลอดออกไปตอนที่จิตของเร า, เรามันขาดตรงนั้นแหละจะ อ, อย่างพุธโธพุธโทโธพุทโธเราเพลินอยู่กับคาบริกรรมที่เราว่าพุธโธพุธโธพุโธขาดความรู้สึกตัวแป๊บเดียวเาเลอไปแล้วแป๊บเดียวออาเลอไปแล้วเราต้องตั้งอกตั้งใจเต็มร้อยเกินร้อยอตั้งอกตั้งใจทำ ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจทํา 70% 80เซไม่อยู่ดอกไม่ทันมันกิเลสมันจะรวดเร็วมากกว่าจิตของเราที่เรานึกเรานึกได้เราคิดทันมันนึกไม่ได้คิดไม่ทันสติตามไม่ทันการที่เราทําอย่างนี้จิตของเราจะได้รับความสงบไปเรื่อยๆและสติของเราก็จะแ ก, ก่ล้าไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย้ราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยจับคําว่าพุทโธให้อยู่ สืบช่วงต่อจากนั้นไปเราก็จะได้รับความอิ่มเอิบในหัวใจของเราเนื่องจากว่าจิตของเราจะเริ่มสงบจิตของเรามีปีติในนั้นมีความสุขอันเกิดขึ้นจากจิตมีอารมณ์อันเดียวจิตมีอารมณ์อันเดียวเราดํารงอยู่อย่างนี้จิตของเราไม่ชิ้งคําบริกรรมดํารงอยู่อย่างนี้ได้ไม่ทําให้อารมณ์อย่างอื่นมาแทรกในหัวใจของเรานั่นท่านเรียกว่าได้ปฐมฌานได้ฌานที่หนึ่งเราเข้าถึงฌานที่หนึ่ง จากนั้นเราตั้งใจทําไปเรื่อยๆด้วยความเชื่องด้วยความชินด้วยความเชื่องด้วยความฉินละปีละวิตกละวิจารณละวิตกละวิจารณ์ได้เหลือแต่ปีสิปีติจิตใจเอบอิ่มไม่ต้องบริกรรมพุทโธแต่จิตของเราไม่นึกไม่คิดจะไปอย่างอื่นแล้วจิตไม่นึกไม่คิดไปอย่างอื่นอยู่แต่กับคําว่าพุทโธทงความรู้สึกอยู่แต่กับคําว่าพุทโธประกอบไปด้วยความ เอออิ่มของจิตใจของเราที่มันอิ่มนั่นแหละที่ เ, เรียกว่าอิ่มใจแท้ที่จริงอารมณ์ที่เป็นธรรมเหล่านี้แหละเป็นอารมณ์ของใจเป็นอาหารของใจไม่ใช่ว่ารูปเสียงกรถผลิภัณฑ์อย่างอื่นเป็นอารมณ์ของใจไม่ใช่ถ้าหากเรายังมีกิเลสอยู่เราให้ไปนึกไปคิดไปปรุงทั้งวี่ทั้งวันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกลายเป็นว่าอาหารของใจนั้นก็คือคําที่เป็นธรรมนี้เองเช่นอย่างพุทโธพุทโธมีสติกๆๆๆํากับกําหนดจดจออยู่อย่าลืมว่าสติ คือคือแม่งานที่สําคัญที่สุดในการทํางานในหัวใจของเราเป็นเครื่องมือที่เรามาสแสวงหาอธรรมได้อย่างชั้นเยี่ยมและก็เป็นธรรมที่มีอุปการะมากตั้งแต่ธรรมะพื้นๆจนถึงธรรมสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือสติสติธรรมนี่เอง ส, สติธรรมก็คือกิริย า, าการของจิตที่ตื่น ร, รู้อยู่เฉพาะหน้า ถ้าเราจยาที่ยวไจิตของเราเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรามีสติกำกับทําให้เรารู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะตราบใดที่ไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวทําให้จิตของเราขาดไปปรุงเรื่องนัน้นไปปรุงเรื่องนี้ไปนึกเรื่องน้นไปนึกเรื่องนี้ตามลักษณะตามอาการของกิเลส ท, ที่มันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราแต่ถ้าเราตั้งใจบริกรรมจนจิตของเราทิ้งคําว่าพุโทโธแสดงว่าจิตของเราเริ่มอิ่ม มันจะมีปีติมันจะมีความสุขอยู่ในนั้นถ้าเหลือปีติเหลือความสุขกับอารมณ์เดียวเอกขตานะหมายถึงว่าเข้าถึงเข้าถึงขั้นที่สองแล้วทิ้งทิ้งปีติทิ้งปีติเหลือแต่ความสุขกับอารมณ์เดียวเนี่ยเข้าถึงขั้นที่สถึงขั้นที่สไม่มีกิริยาการเหลือแต่อุเบกขา กับเอกคตาความวางเฉยของจิตตื่นรูอยู่นั้นมันจะจิตของเราจะละเอียดลึกเข้าไปโดยลําดับการที่เจิตของเราจะล ะ, ละเอียดลึกเข้าไปโดยลําดับได้นั้นเราจะต้องทําการสังสมสังสมจนเต็มสมมติว่าจาก1ไปถึง4 4ถือว่าเต็มถ้าเราจะเทียบกั็เหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่นั้นหนึ่ยังไม่เต็ม2องยังไม่เต็ม3ามยังไม่เต็ม4เต็มถ้าหากเขามีเครื่องตักมันก็จะตัด มันจะชาติมาได้อีกแล้วแหละอ่ามันตัดแล้วหมายความ ว, ว่ามันถึงฌานที่4แต่ลำดับความสงบของจิตนั้นอ่ะมันยังมีอีกที่เราจะต้องทําให้ได้รับความสงบโดยที่ท่านพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปที่จะเรียกว่าอรูปปสมาบัตรหรืออรูปปิชาเนี่ยแต่นั้นมันละเอียดเกินไปแล้วเราพยายามเจริญให้จิตได้รับความสงบเพื่อที่จะมาพิจารณาให้เห็นอันนีจจ้อย่างทุขงกขังอนัตตาไม่ต้องถึงนั้นก็นตามอ่ถึงแม้ว่าเราจะเข้าถึงความสงบระดับ ชาตที่สี่ก็ตามเช่นอย่างเหลือแต่ภูเบกขากับเอ ก, กัคาตาก็ตามในขณะนั้นเราทํางานไม่ได้เร า, าเอามาพิจารณาไล่ตามบี่กิเลสตัณหาที่มันมาทำงานอยู่ในหัวใจของเราไม่ได้เพราะใจของเราไม่มีกิริยา อ, อยู่สว่างรูอยู่อย่างนั้นเวลาทํางานจริงๆเราจะต้องถอยออกมาอยู่ในขั้นที่ว่าจิตของเราทํางานได้แค่ชาตที่1นชาตที่สองเนี่ย เราสามารถเอามาทำงานเราได้ขยับลงมาขนาดไหนให้พอดีกับที่เราตั้งอกตั้งใจทำงานได้สะดวกเราก็ขยำมาเพื่อทำงานการที่เราพิจารณาอย่างนี้เราเห็นความสาคัญของสมถะคือความสงบของใจอย่าคิดว่าสมถะนั้นไม่มีปัญญาอยู่ในนั้นนะถ้าไม่มีปัญญาอยู่ในนั้นจิตของท่านจะสงบได้ยังไงตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ทาให้จิตของเราตื่นรู้เกิดความสงบ แม้เต็เขาอยู่ในอารมณ์อันเดียวทําให้จิตได้รับความสงบนั้นมันก็มีปัญญาอยู่ในนั้นเราไปพูดเราไปตัดได้ยังไงว่าไม่มีปัญญาปัญญาพื้นๆอยู่ในนั้น อ, อย่างงั้นถ้าจิตจิตที่สงบโดยไม่มีสติกํากับควบคุมดูแลท่านจึงเรียกว่ามิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเอามาทำงานไม่ได้เอามาพิจารณาไม่ได้แท้ที่จริงสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสารเสือนั้น เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นจะต้องมีสติจะต้องมีสัมผัสัญญะจะต้องมีอาต ป, ปะอาต ป, ปะคือตัวประคับประคองประคับประคองจิตดวงนั้นมามาพร้อมพร้อมที่จะทํางานจิตพร้อมที่จะทํางานที่จะเรียกว่าสมาธิแนบแน่นมั่นคงตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่ ไม่ใช่จิตจมมิดหายเงียบแบบไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวพอเวลาตื่นตัวขึ้นมาไม่มีกําลังไม่มีพระไม่มีกําลังแท้ที่จริงส ม, มถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามเวลาเราทํางานมันก็อยู่ในใจของเราดวงเดียวนี่แหละแต่ท่านแยกมาพูดเฉยๆเท่านั้นเองว่าเป็นส ม, มถะว่าเป็นวิปัสสนาเวลาท่านทําจริงๆท่านลองมาพิจารณาดูอ่า แม้แต่ท่านพิจารณาอยู่กับคําว่าบทพุทโธพุทโธพุทโธคําเดียวมันเปลี่ยนได้ทั้งอารมณ์สมถะมันเป็นได้ทั้งอารมณ์วิปัสสนาก็ได้พุทโธพุทโธแล้วก็ย้อนไปดูจิตพุทโธแล้วก็ย้อนไปดูจิตพุทโธแล้วก็ย้อนไปดูจิตนี่มันเป็นการพิจารณาจิตแล้วเป็นจิตตานุปัสสนาพุทโธพุทโธแล้วก็กำกับด้วยลมหายใจเข้ากํากับด้วยลมหายใจออก เห็นความเปลี่ยนแปลงของลมนี่ก็เป็นสมถะด้วยเป็นวิปัสนาด้วยแทย้ที่ยิงแยกมาพูดเฉยๆไม่ให้พวกเราสงสัยเท่านั้นเองสมถะกับวิปัสนาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในจิตของเราเวลามันเจริญขึ้นในจิตของเราเนี่ยเราภาภูมิใจทั้งนั้นแหละรู้สึกว่าใจของเราเพิ่มพลังให้กับใจของเราได้ทั้งนั้นแหละสมถะก็เพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะให้กับจิตของเรา ปัญญาวิปัสนาก็เพิ่มสติเพิ่มสัมผัญญะให้กับจิตของเราเราเน้นตรงนี้เราเน้นงานข้างในนะถ้าหากใครตั้งใจภาวนาแล้วก็พิจารณาไปตามนี้ท่านจะเข้าใจเรื่องสมถะเป็นยังไงวิปัสนาเป็นยังไงเพราะอันนี้แหละมันเป็นการทํางานของการตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม ท, ที่ที่ได้ผลหมายความว่าเรามาพิจารณาถึงขั้นนี้ การที่เราท่องเราสวดเราบูนเราอะไรต่ออะไรนั้นเป็นการตล่ำเข้ามาตล่มเข้ามามันตล่มเข้ามาหลอมรวมเข้ามาให้จิตของเราเชื่องให้จิตของเราสงบอ่าแม้แต่การทําวัดสวดบูนเนี่ยเราก็ต้องการทําเป็นการระลึกบูนระลึกขุนเพื่อให้จิตของเราได้รับความสงบมันเป็นการเอาจิตของเรามาใช้อย่างเป็นระเบียบเช่นอย่างเราสวดเงี้ยเราสวดตามบทที่ท่านเขียนเอาไว้มันเป็นการใช้จิตของเรานึกคิดในสิ่งที่เป็นระเบียบ โดยปกติจิตถ้าหากเราไม่มีแนวทางให้คํานึกเขาคิดเขาจะคิดตามเรื่องตามราวของเขาคิดหยาบบ้างคิดละเอียดบ้างคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดปรุงสารพัดแล้วแต่มันจะคิดมันจะปรุงแต่หากเราเอาจิตมาใช้กับอารมณ์ที่เป็นสัญญาที่ท่านตั้งเอาไว้ให้เราเช่นอย่า ง, างบทสวดเนี้ยทําบัดเช้าเนี่ยทําบัดเย็นเนี้ ย, รร ย, รรยหรือบทสวดต่างๆบทสวดแผ่เมตตาเนี่ย มันเป็นการเอาจิตของเรามาใช้อย่างเป็นระเบียบทําให้เราได้รับความสงบทําให้เราได้รับอุบายธรรมทาให้เราไ ด, ได้รับปัญญาแว๊บเดียวเกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทํามันจะล่อมเข้ามาหลอมรวมเข้ามาที่ใจของเราหนึ่งเพื่อใจของเราได้รับความสงบสองเพื่อใจของเราได้ปัญญาทําไมจึงจําเป็นยังไงจึงจะต้องได้ปัญญาโดยเหตุที่เราขาดปัญญานี่เอง แม้แต่เราอยู่บนกองสัจธรรมแท้ๆเราก็มองไม่เห็นสัจธรรมหรือบางทีเราตั้งใจภาวนาไปแล้วสัจธรรมปรากฏเราก็ไม่ยอมรับเช่นอย่างเรานั่งภาวนาเนี่ยนั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งจิตของเราก็เริ่มจิตของเราเริ่มสงบพอจิตของเราเริ่มสงบจิตของเราเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวอาการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่กายเราก็เห็นได้ชัดหัวเข่าเริ่มปวด เอวเริ่มปวดหลังเริ่มปวดไหล่เริ่มปวดเนี่ยปวดหลังฝาดเท้าเงี้ยปวดตรงไหนก็กตามแต่แหละการทรงตัวไม่อยู่สุดไปข้างหน้าบ้างสุดมาข้างหลังบ้างจะทําให้เรารับรู้ได้จะทําให้เรารับรทรารบาได้คือการตั้งใจภาวนาเราพิจารณาไปแล้วมันจะทําให้เกิดจิตของเรารับทราบอารมณ์ทั้งหลายทั้งปว ง, งเหล่านี้ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็ ตั้งใจให้ใจได้รับความสงบด้วยในเมื่อมันรุนแรงเจ็บปวดรุนแรงเราก็มาอยู่กับความปวดพิจารณาเพื่อไม่ให้ตันหามันแทรกเข้ามาโดยปกติตันหามันคอยที่จะแทรกเข้ามามันตามเข้ามาสมมุติเราเราทํางานเอาธรรมะมาทํางานเนี่ยตันหามันก็แทรกตามมาข้างหลังนั่นเองอ่าพอเราเผลอปั๊บมันแสงหน้าแล้วพอเราเผลอปั๊บมันแสงหน้าเขาเรียกว่ามันเป็นคู่แข่งของเรา คู่แข่งตัวนี้โอ้แข่งไประยะยาวพระสะุวัตบรรกก็ยังมีคู่แข่งพระสกีธาคาพระอนาคาก็ยังมีคู่แข่งนูน้นแข่งแข่งไปจนถึงโค้งสุดท้าย น, น, านู้นอาหัตตมัชนั่นพอไปถึงนั้นแล้วก็หมดแล้วไอ้คู่แข่งตัวนี้หมดแล้วเก้าอีกเ้าหนึ่งก็อาหัตถผลเนี่ยท่านถือว่าแข่งไปจนถึงวาระสุดท้ายตรงนั้นใครไม่เคยดูหนังสือลงตาท่านเขียนธรรมะคู่แข่งขัน คู่แข่งขันก็คือกิเลสแข่งกับธรรมนั่นเองในขณะที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมกิเลสมันก็แข่งคอยแซงหน้าเราอยู่นั้นแหละแต่ถ้าเราไม่สนใจเรื่องธรรมเลยทักกิเลแสแซงหน้าเราตลอดผลรายได้ก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นผลรายได้ของกิเลสทั้งหมดอย่ากให้เราเข้าใจประเด็น2ประเด็นนี้คือธรรมกรรมวิบากคือเราตั้งใจภาวนา เราตั้งใจรักษาศีลเราตั้งใจประพฤติธรรมเราตั้งใจปฏิบัติธรรมทำกรรมวิบากผลไรายได้เป็นเรื่องของธรรมเอาจิตตัวนี้เรามาใช้มาทําเป็นเรื่องของการภาวนาแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตของเราล่องลอยเรื่อยเปื่อยไปตามกิเลสมันเป็นวัฏวนลที่จะเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเกิดกี่เพราะกี่ชาติเกิดยังไงมันก็คือกิเลสกรรมวิบากวัฏวนกับวัฏะสงสารมันก็อันเดียวกัน วัฏฏสงสารนัคือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายตวาัฏฏะสงสารนี่คือหลักของใจหลักของใจเริ่มแรกด้วยการตั้งใจเผาหนายใจได้รับความสงบเมื่อใจของเราเริ่มสงบเราอยากพิจารณาเราก็มาพิจารณาเราพิจารณาทิ่จิตของเราเพราะจิตของเรามีกิเลสเต็มแปร่อ ย, อยู่เราต้องพิจารณาหากเราไม่พิจารณาเราก็กองกิเลสกองอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า เราหลงกายเราติดกายเรายึดกายเรายึดเวทนาเรายึดสัญญาเรายึดสังขารเรายึดวิญญาณที่ท่าเรียกว่าปัญจุ ป, ปาทานา ข, ขันคืออุปาทานในขันทั้ง5้าเราปฏิเสธได้ไหมว่าเราจะไม่ยึดปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่ยึดตราบใดที่เราเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามหลักธรรมชาติเหล่านี้อุปาทานมันก็จะค่อยๆเบาเข้าไปบางเข้าไปเบาเข้าไปบางเข้าไป ตราบใดที่มันยืดขึ้นมาอัตตาตัวตนของเรามันก็โผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาการถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาทิฏฐิมรณนะมันก็โผล่ตามมาการอิจฉาการทิษยาการพยาบาทการจองร่างจองผลานการประพฤติผิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ตามมาเป็นพวนเป็นกระบวนแต่เราเราจะมาแก้แต่ปลายเหตุ น, นี่แหละเราไม่เคยย่างเข้าไปลึกเข้าไปข้างในนะัน ถ้าหากเราตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วเราจะทํางานหมุนอยู่ข้างในเราจะพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็ได้ว่าตัณหามันเกิดได้ยังไงตัณหาตัวนี้มันเป็นตัวเจ้าตัวจอมเป็นเป็นตัวจับจองวัตถจักของเราไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเราดูไปแล้วเหมือนกับมันมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนอยู่อีกตัวตนหนึ่งถ้ากเราย้อนมาดูที่แท้จริงก็คือความโง่เขลาของใจของเราเอง ที่มันแสดงกิริยาอาการที่เลวทรามออกมาคือตัณหามันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่มันมีพลังในตัวเขามันมันแสดงออกมาในลักษณะของความอยากโลคอยากประกอบไปด้วยความโลภอยากประกอบไปด้วยความโกรธทำไมอยากประกอบไปด้วยความโกรธเพราะมันไม่ชอบใจไม่ไม่พอใจไม่ไม่เป็นดั่งใจพยายามจะกะเก์ให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจมันพอไม่สมใจมันก็โกรธมันก็ขัดมันก็ข้อง มันมีแค่นี้เองคือหวังให้สมใจให้สมใจหวังมันไม่สมใจไม่สมใจมันก็ผิดหวังเพราะผิดหวังเราก็โทุแน่เงื่อเมื่อตันหาแทะเข้ามาทีไรเมื่อไรตันหาแทะเข้ามาทีไรเมื่อไร่ความทุกข์มัททับถมหัวใจของเราตันหาแทะเข้ามาในหัวใจของเราอุปาทานคือยึดเอาใจมันยึดเอาโดยหลักธรรมชาติใจมันพายึดโดยหลักธรรมชาติตันหาพายึดโดยหลักธรรมชาติ ตราบใดที่ยังมียึดก็คือมีอุปาทานมีอุปาทานที่ไรก็มีพบมีชาติอยู่ในนั้นอะ่ะมีพบคือที่เกิดมีอุปาทานคือไปเกิดเราลองพิจรารณาดูซิเรานั่งอยู่อย่างนี้เราอาจจะมีความนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งตกค้างอยู่ในหัวใจของเราเช่นอย่างยังไม่ได้รับทานอาหารเนี่ยโอ้คิดถึงอาหารจะกลับไปรับทานอาหารร้านนั้นานๆๆๆนัคิดกระตุ้นเตือนอยู่ในใจโดยเหตุที่เราระวังไม่ได้รับเลยมันคิดเรื่อยเปื่อยสืบเนื่องไปจนถึงนู่น จนถึงว่าสั่งอาหารอย่างนั้นสั่งอาหารอย่างนี้นี่คือการยึดยึดโดยอุปาทานพอหลังจากเราเลิกจากนี้ไปแล้วเราไปโพรแล้วตรงนั้นตรงที่มันวาดมนโนภาพเอาไวา้มีพบที่ไหนมีเกิดที่นั่นคําว่าเกิดคือไปปรากฏตัวที่นั่นอันนี้เราพูดในลักษณะของการตั้งใจภาวนาดูในขณะในภาในขณะในภาวะปัจจุบัน มันจะมีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเส้นสายของตัณหามันมาอย่างนี้อย่าลืมว่าตัณหานะ่ะมันเป็นของเก่าที่เกิดมาพร้อมกับจิตของเราหนะ่ะเกิดมาตั้งแต่กับกันไหนเราก็รู้จักไม่ได้ไม่มีใครรู้จักว่าเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทรงชีช้ชัดไปท่านทรงท่านทรงชีช้ชัดไปที่ความไม่รู้คืออวิชชาเพราะฉะนั้นกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นผลผลของตัณหา จะรื้ว่ากองสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นผลผลของตัณหาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ที่ย่อทรงชี้ไปที่อวิชชาอาชีพอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารจิตของเราคือผู้รู้ของเราไม่ใช่ผู้รู้หนึ่งเดียวมันเป็นผู้รู้ที่ปนเปื้อนมาด้วยตัณหาตัณหาก็คือกิเลสกิเลสก็คือตัณหาตัณหาก็คืออวิชชาอาวิชชาก็คือตัณหากิเลสตัณหาอุ ป, ปาทาน เป from society, ็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหรือเป็นเรื่องของตัณหาทั้งหมดแต่ถ้าเราจะไปแยกแยะตามกิริยาการอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีชื่อเรียกมากมายเราดูมาอย่างเดียวดูมาดูมาที่ใจของเราคือใจของเรามันอยากนี่แหละคือตัณหาใจของเราอยากนั่นแหละที่เรียกว่าตัณหาเราปฏิเสธได้ไหมว่าอยากทําบุญแล้วก็อยากทําบาปเราปฏิเสธไม่ได้เพราะความอยากนี้มันมีทั้งอยากทําบุญมันมีทั้งอยากทําบาป แล้วเราจะพิจารณาได้ยังไงว่าอยากยังไงเป็นเรื us, ่องของบุญอยากยังไงเป็นเรื่องของบาปให้เราพิจารณาอย่างนี้ว่าเริ่มแรกเราต้องพิจารณาดูความอยากซะก่อนอ๋อกิจยาความอยากในหัวใจของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันมีความอยากอยู่อย่างนี้ตังงี้ตั้งงี้อยู่อย่างนี้อยากรักอยากชังอยากโกรธอยากเกลียดหรือหรืออยากทาบุญอยากให้ทานอยากน้นอยากนี้ในเมื่อเรารู้จักความอยากแล้วเราค่อยมาศึกษาตามหลังอ๋อ อยากนี้เป็นไปเพื่อศีลเป็นไปเพื่อธรรมเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อความอุตสาห์พยายามเพื่อความขยันหมั่นเพียรอันนี้เป็นธรรมแต่ถ้าอยากไปเพื่อกิเลสเพื่อตัณหาเพื่อราคะเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่ออิจฉาเพื่อริษยาเพื่อพยาบาทเพื่อทําความทุกข์ทรมารให้กับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแต่มันเป็นคําเดียวกันคือความอยากันเดียวกันเพราะมันเกิดขึ้นที่หัวใจอันเดียวกันความอยากอันนี้มันเป็นพลังของมัน เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่พร้อมกับจิตที่ บ, บริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันปนเปื้อนมาด้วยกันแยกกันไม่ได้มีผู้เดียวที่เป็นบรมครูคือพระพุทธเจ้าของเราเน่ยมาตั้งใจพิจารณาแยกจนหมดจดโดยชิ่นเชิงคําว่าหมดจดโดยชิ่นเชิงก็คือหมดอวิชชาหมดอวิชชาและหมดกองสังขารไม่มีสิ่งปรุงแต่งทําให้พระองค์ต้องมีเพราะมีชาติมีตัณหามีอุปาทานต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นพบชาติจึงไม่มี ตันหาไม่มีอบภพชาติจริงไม่มีภพชาติก็ดับตันหาก็ดับเราไปไล่ดูตำหลักปฏิจะสมุปบาทสายเกิดนี่อวิชชาเกิดหมายความว่ า, วาสังขารอวิชชาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดผัสสะเกิดอายตน ะ, ะเกิดเวทนาเกิดเวทนาตันหาเก่าวมันสกรมาหางมันมีเส้นสายมีระบบมีระบบของมันให้เราต้องทํางาน เพื่อเป็นการขยับขยายห น, อน่อแขนงลําลต้นให้กับตัวของตัวมันเพราะฉะนั้นตัณหากำมันส่งมาแล้วพอมาถึงเวทนามาถึงเวทนาถ้าหากเรายินดีพอใจในเวทนานั่นแสดงว่าตัณหามันเกาะอีกแล้วมันเกาะจิตดวงนั้นอีกแล้ ว, ม, ลวมันพร้อมที่จะเกิดตัณห า, า, าเมื่อเรายินดีในเวทนาเมื่อเรายินร้ายในเวทนาตัณหาก็เกิดขึ้น เมื่อตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานก็เกิดขึ้นเพราก็เกิดขึ้นชาติก็เกิดขึ้นนี่หมายความว่าตัณหาใหม่ทีนี้วิวธีระงับดับตัณหาใหม่เหล่านี้เราระงับดับได้ยังไงท่านจึงให้ภาวนาเราภาวนาใจของเราได้รับความสงบมีสติกํากับจดจ่อรออยู่นั้นน่ะความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดเมื่อความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดเพราะเราทราบตามความเป็นจริง เช่นอย่างเรามีสติกำกับอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันยินดีเกิดขึ้นม่ให้มันยินร้ายเกิดขึ้นกิริยาใดๆเกิดขึ้นแทรกเข้ามาเราก็รู้ทันกิริยาใดๆเกิดขึ้นแทรกเข้ามาเราก็รู้ทันตัณหาเกิดไม่ได้นี่หมายถึงตัณหาใหม่นะตัณหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรียเข้ามาเน่ยมันเพิ่มขึ้นมาไม่ได้มันเหลือแต่ตัณหากเก่าในเมื่อเรารู้ทันปั๊บตัณหาก็ดับเมื่อเรารู้ทันปั๊บตัณหาก็ดับ ถ้าเรารู้ไม่ทันตัณหาก็ก่อตัวเมื่อเราร trails, ู้ไม่ทันตัณหาก็ก่อตัวคือตัณหาใหม่เกิดตัณหาเก่ามันส่งมาพอเราขาดสติขาดสัมผััญญาปั๊บตัณหาใหม่ก่อตัว Large, ye, okay? ตัณหาใหม่ก่อตัวที่ไรที่ไรผลรายได้เป็นเรื่องของมันมันก็บวกเข้าบวกเข้าเพิ่มเข้าเพื่นเข้ า, ขาผมผลรายได้ผลเพิ่มเป็นเรื่องของมันเนี่ยเราใช้กันพิจารณาทําใจได้รับความสงบนี่แหละ ก็เป็นการตัดกระแสของตัณหาได้ชะลอกระแสของตัณหาได้เราพิจารณาให้เกิดความรู้เท่าทันในแง่ของสมถะของวิปัสสนาก็ทําให้เรารู้เท่าทันต้นต่อความเป็นไปของตัณหาเพราะฉะนั้นสมถะ ก, ก็เป็นเหตุชะลอตัณหาให้ตัณหาสงบระงับตัณหาสงบระงับก็คือกิเลสสงบระงับเราใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทําลายโมหะความรุ่มหลงของเรา เป็นการทำลายอาวิชาเมื่อเราทำลายวิชาได้เราก็เริ่มมีวิชาตัวเหตุทําให้เกิดวิชาคือตัวสติตัวสัมมิชนญะตื่นรูอยู่ในระหว่างที่สติของสัมมิชนญะของเราตื่นรูอยู่นั้นะตันหาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ท่านจึงทําให้ทําข้อปฏิบัติเหล่านี้เอาจิตของเรามากํากับจดจ่ออยู่กับช่องตรงนี้กับทางตรงนี้กับทางเกิดของมันกับทางดับของมันตรงนี้ ตันหาใหม่ถึงจะเกิดไม่ได้แล้วก็ผลเพิ่มใหม่มันก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุที่เรากำหนดจดจ อ, ดจอดโร่อยู่อย่างนี้จิตของเราจะเริ่มมีกําลังจิตของเราจะเริ่มมีพลังมีพลังมีพลังถึงขั้นว่าสามารถขุดคุยไปถึงตันหาก่าวด้วยตันหาใหม่เกิดไม่ได้ขุดคุยลงไปขุดคุยไปที่ไหนขุดคุยไปเพื่อทําลายความหลงขุดคุยไปที่กายมันพายุทว่าเป็นกายเรานะ ดูลงไปว่าอะไรเป็นเราเพราออย่างพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาแยกแยะว่าเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟท่านให้ใช้จิตที่ได้รับความสงบนี่แหละพิจารณาให้เห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นการพิจารณาเพื่อเป็นการทําลายก้อนเป็นการทําลายแท่งความสําคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละเป็นเหตุให้เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนแท้ที่จริงไม่ใช่ตัวตนจึงโผลอขึ้นมาด้วยเหตุที่เราสําคัญอย่างนั้น เราพิจารณาเพื่อเป็นการทําลายอ๋อมันไม่ใช่เราดูไปที่เหตุที่ปัจจัยของร่างกายนี้อ๋อบุตริยาธ้รมมาจากดินสิ่งที่แข็งแข็งมาจากดินมาจากน้ําลักษณะที่ซึมซาบเ อ, อิบอาบมาจากลมลมหายใจเข้าหายใจออกมาจากไฟปลนเปลกายให้อบอุ่นกายนี้อยู่ได้ไม่ให้มันบูดไม่ให้มันเนา่าดินน้ําลมไฟบางทีท่านแยกละเอียดเข้าไปมากกว่านั้นอีกคือพิจารณาอม คนเล็บฟันหนังใช้อะไรพิจารณาใช้สติใช้สัมผััญญาเน่ยพิจารณาการพิจารณาก็คือการกําหนดหมายที่เรียกว่าใช้สัญญาที่เป็นธรรมกาหนดหมายว่าเป็นผมกําหนดหมายว่าเป็นขนผมก็เป็นผมขนก็เ็นเป็นขนไม่ใช่เราดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเราพิจารณาไปแล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้จริงๆ ซึ่งเป็นเหตุทําให้กิเลสตัณหามันหยุดมันชะลอได้การทําอย่างนี้ได้มันเข้าหลักภาวนาที่ทขาเรียกว่าสังวรประทานระวังไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดและปหานประทานในขณะเดียวกันเราระวังไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดอย่างเดียวนั่นแหละมันเป็นการภาวนาประทานในตัวมันเป็นการอนุรักษ์ปนารักษาผลอนั้นเอาไว้ในตัวและมันเป็นการปหานประทานไปในตัว เราจะตั้งใจประหารประทานไปในตัวมันก็เป็นการสังวรประทานไปในตัวมันเป็นการภาวนาไปในตัวมันเป็นการอนุรักษนาประทานคือคือคือผลเพิ่มไปในตัวนี่หลักที่ท่านพูดเอาไว้คือสัมมาวายามะในหลักอริยมรรคมีองค์แป น, นั่นแหละเป็นบทที่เราเอามาพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการตั้งใจที่จะเข้ามารู้เข้ามาเห็นทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เบื้องแรกนั่นแหละที่สําคัญที่สุดคือเราพยายามให้ใจของเราอยู่ในอํานาจของเราให้ใจของเราอยู่อํานาจในอํานาจของความสงบของเราเราต้องบังคับไหมภาวนาภาวนาเราต้องบังคับอย่าไปคิดว่าไม่บังคับการที่เราตั้งใจทําเหตุนั้นแหละท่านตั้งใจบังคับเต็มร้อยท่านตั้งใจบังคับได้เลยแต่ท่านจะตั้งใจบังคับให้เกิดผลนั้นบังคับไม่ได้ผลใดๆที่เกิดขึ้นจาก ที่เราบังคับของปลอมทั้งนั้นระวังให้ดีดูให้ดีการพิจรารณาคาดเดาแล้วก็ยึดเดาพิจารณาคาดคาดเดาเดแล้วก็ยึดเอาพิจรารณาคาดคาดเดาเแล้วก็ยึด เ, าาา ด, า ด, า ด, เด า, ย, ดเายังไม่ใช่ของแท้อยังไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ให้เราทําให้พร้อมใจของเราสงบก็ขอให้สงบให้พร้อมเวลามาพิจรารณาก็มาพิจรารณาเพื่อสงบระงับตัณหาเหล่านั้นอย่างจรจิงจังมีสติมีสัมชัญญักกับมจดจอ่ออยู่นั่นแหละ จนจิตของเราตื่นโรรอยู่เราเข้าสู่ความสงบเราเข้าสู่วิปัสนาเป็นการเป็นคราวสลับกันไปถึงการคราวที่พิจรารณาเราก็พิจารณาไปคําว่าพิจารณาก็คือใช้ปัญญาคือใช้วิปัสสนานั่นแหล ะ, ะการทําใจให้สงบก็คือสมถะนั่นแหละใจสงบหรือสมาธินั่นแหละถึงคราวทําให้สงบเราก็ตั้งใจทําให้สงบตั้งอกตั้งใจทําจริงๆให้ได้รับความสงบพอสงบมีกําลังพอเราก็มาพิจรารณา การพิจารณาก็พิจารณามาตามหลักของมหาสติปัฏฐานนี่แหละเพราะสมถะก็รวมลงอยู่ในมหาสติปัฏฐานวิปัสสนาก็รวมลงอยู่ในมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานจึงเป็นเสมือนอเครื่องมือปฏิบัติชั้นเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานถ้าท่านจะเทียบกับมือรอยเท้าของช้างซึ่งเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดรอยเท้าอื่นๆเล็กกว่ารอยเท้าของช้างชั้นใด ระยะข้อปฏิบัติบทตรัสบทธรรมเทศนาส่วนอื่นๆมีบทสรุปคือหลักมหาสิปฐานทั้งนั้นมาเชื่อเราลองไปน้อมพิจารณาดูว่าออในในบทในบทพิจารณากายบทพิจารณาเวทนาบทพิจารณาจิตบทพิจารณาธรรมมีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ไม่มีอีกแล้วทั้ง4อย่างนั้นเราพิจารณาบทใดมันทํางานถึงกันหมด แล้วจะพิจารณากายเช่นอย่างเรากำหนดลมเนี่ยลมหายใจหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นกลั้นลมหายใจก็รู้ว่ากลั้นลมหายใจเนี่ยถ้ามีสติกำหนดจดจ่อรออยู่เพราะมีสมาธิเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเราก็กำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้จะทําให้เรารู้จักหลักธรรมชาติที่แท้จริงเพราะทำไมท่านจะให้พิจารณา ให้พิจารณาประกอบไปด้วยมีสติมีสัมพันธยัติกำหนดจดจ่อในขณะที่เราพิจารณานั้นแหละมันจะมีตัวเจ้าตันหามันจะมาคอยแทรกแซงอยู่ทุกระยะทุกเวลาแท้ที่จริงงานที่เราตั้งใจทํานั้นมันเป็นการตั้งใจสํารวมระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตันหาเกิดเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้ตันหาเกิดนั่นคืองานคือการทํางานที่จะทําให้ตันหาเหล่านั้นสงบเข้าไประ ง, งับเข้าไปอ่า จะพิจารณากายก็ตามจะพิจารณาเวทนาก็ตามเพราะตัณหานั้นมันมันมันพาดพิงมาที่กายาใครมีเจตนิสัยพิจารณากายถูกแล้วก็พิจารณากายมันพาดพิงมาที่เวทนาเวทนาคือดีใจเสียใจความสุขกายความทุกข์ใจความทุกข์กายความสุขกายความสุขใจความทุกข์ใจมันพิจารณาเป็นเรื่องของเวทนา เราจะพิจารณากายหรือจะพิจารณามาที่เวทนาหรือจะพิจารณาจอมาที่จิตหรือจะพิจารณาธรรมบทใดบทหนึ่งการพิจารณาธรรมในที่นี้หมายความว่าเราพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเช่นอย่างเราพิจารณาหลักอริยสัจสี่อ่เงี้ยมันก็เป็นการพิจารณาธรรมพิจารณาทุกเงี้ยมันก็เข้าหลักกันหมดพิจารณาทุกพิจารณาทุกขคืออะไรทุก อะไรคือทุกข์ทุกข์ก็คือกายของเรากับใจของเรานี่คือเป็นกล่องทุกข์กายของเราใจของเรานี่เป็นตัวผลเป็นกล่องทุกข์ตัวผลเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นมาประชิกจากเหตุมันมีเหตุเพราะฉนะ้ท่านจึงชี้ไปที่สมุ ท, ทยัยทุกสมุ ท, ทยัยเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กําหนดรูปธรรมกําหนดรูปธรรมแล้ก็ย้อนมาที่จิตเพื่อที่จะเห็นสมุทัยที่จิตหรือกําหนดที่เวทนา กำหนดเวทนาแล้วก็ย้อนมาที่จิตน้องตาท่านนี้ให้ย้อนย้อนมาพิจารณามาที่จิตกําหนดจิตแล้วก็ย้อนไปที่เวทนากำหนดเวทนาก็ย้อนไปที่จิตในขณะที่เราทํากลับไปกลับมากลับไปกลับมามันก็เป็นการพิจารณาทําในตัวมันก็เป็นอริยสัจสีในตัวมันก็เป็นอณิจังทุขังอัตตาในตัวมันเห็นอยู่ในนั้นมันเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทในตัวมันเป็นหลัก มหาสติปัฐานในตัวมันจะล่มล้อมรวมรวมลงมาหล่อรวมรวมลงมาเป็นอันเดียวกันหมด ม, ม, มันทั่วถึงกันหมดให้เราหัดพิจารณาอย่างนี้เราวกำหนดดูทุกแล้วก็ย้อนไปดูส ม, มุทัยกำหนดดูทุกแล้วก็ย้อนไปดูส ม, มุทยัย เ, เ, เ, เ, เ, เพื่อไม่ให้ตันหามันเกิดขึ้นมันเป็นการเตรียมมันเป็นเป็นการระวังเพื่อไม่ให้ตันหามันเกิดขึ้นถ้าตันหามันเกิดขึ้นอัตตาตัว ต, วตวนมันก็โผล่ขึ้นมาทิฏฐิมาน้ำก็โผล่ขึ้นมา การถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มีที่เราไหมมีที่เราเราลองดูที่มันหลุดขึ้นมาได้ยังไงมันหลุดขึ้นมาจากเราขาดสติขาดสัมผััญญากำหนดจดจ่อควบคุมจิตของเราเองนี่พยายามหมุนอยู่ข้างในถ้ า, าพวกเราส่งกระแสจิตตามพวกเราก็จะได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติได้สนามฝึกได้ชัยสมรภูมินี่แหละคือชัยสมรภูมิถ้าเราเอาสติสัมผชัญญาของเรากําหนดจดจ่ออยู่ตรงนี้ เราจะได้ใช้สมรภูมิใช้สมรภูมิหมายความว่าอะไรทําลายอัตตาตัวตนได้อ๋ออัตตาเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตันหาด้วยอุยปาทานนี้เองน ะ, นะเรื่องของเกเรศนั้นแนหะมันจะกะเกณฑ์ทุกระยะทุกเวลาขอให้เป็นตัวขอให้เป็นตนขอให้เป็นเราขอให้เป็นเขาขอให้เป็นอะไรอะทั้งหมดขอให้อยู่ในอนานาจควบคุมการกะเกณฑ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะ การแกนควบคุมทุกระยะทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่พุทธเจ้าท่านทรงยกสังขารมาให้เราพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีไตรลักษณ์อยู่ในนั้นเช่นอย่างรูปสังขารนามสังขารมีไตรลักษณ์อยู่ในนั้นขึ้นชื่อว่าไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสัจจะสัจธรรมอย่างหนึ่งที่มีกำกับอยู่ที่กองสังขารกองนั้นท่านให้ดูให้เห็นโทษให้เห็นภัยของมันเช่นอย่างอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขาร ราบใดที่เรามีวิชากองสังขารของนี้ก็ไม่เกิดคือเรื่องราวที่มันจะลุกลามไปข้างหน้าไม่เกิดมันมีสักถวัสติระลึกรู้รู้ว่ามีอารมณ์เหล่านี้มีอารมณ์อย่างนี้อ่ราระลึกรู้ว่ากายสักถวะกายระลึกว่าเวทนาสักถวะเวทนาเวลาเรามี ส, สติกาหนดจดจอ่อมันสักถวะจริงๆนะความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนตไม่มี อันนี้เราพยายามฝึกซ้อมให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความคล่องแคล่วเป็นเหตุพาดพิงที่จะทําให้เราได้อัดได้ทาเวลาเราทําได้อย่างเต็มที่เวลาเราทําเต็มที่สักจะทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาแสดงตัวให้ปรากฏกับเราโอ้กายก็สักถ้าว่ากายจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเวทนาก็สักถ้าว่าเวทนาจริงๆหามันเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมัน กิจก็ศัตดิ์แต่ว่าผู้รู้เป็นผู้รู้จริงๆริงธรรมก็ศัตดิ์แต่ว่าเป็นธรรมจริงๆถ้านห้พิจารณาอย่างนี้เราจะเข้าถึงหลักของสัจธรรมหลักของสัจธรรมรูปธรรมของเราก็เป็นสัจธรรมเวทนาก็เป็นสัจธรรมแต่เราทนดูได้ไหมเช่อนอย่างเรานั่งภาวนานา น, อ น, านๆอย่างเงี้ยเรานั่งนานขนาดนี้แล้วเราเริ่มเจ็บเริ่ ม, มปวดเราทนดูได้ไหมดูให้เห็นเวทนาสัจแต่ว่าเวทนาเราไม่ไปยึดถือเวทนา แต่เรืเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาพอะเจ็บขึ้นมาเราโอ้เราเจ็บเพราะปวดขึ้นมาแล้วเราโอ้เราปวดสแสดงว่าอุปาทานของเรายัางเต็มแปร่อยู่ยังไม่มีบกบางไปเลยการยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยเต็มแปร่ไปเลยแต่ถ้าเราใช้สติสัสสมปชัญญะกำหนดจดจ่ออยู่โอ้ปวดสักทว่าปวดผู้รู้ว่าปวดก็คือจิตจิตรู้ว่าปวดอเวทนาสักทว่าเวทนาจิตกสัก้ว่าจิตอ เวทนาเป็นที่รู้ของจิตเป็นที่กําหนดจดจ่อของจิตนะไม่ใช่เราจิตก็สัรแต่ว่าจิตเวทนาก็สักทว่าเวทนาเรากำหนดจดจ่อดูเราทําเต็มที่เราทําถึงที่สิ่งเหล่านี้เขาจะแยกตัวของเขามาเองต่างอันต่างเป็นจริงอยู่อย่างนั้นตามภาวะของเขาถ้าให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็พิจารณากองสังขารเพื่อเป็นการตะล่อมไล่เอาตันหาใหม่ที่จิตของเราไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันอยู่ พิจารณากองสังขารท่านจึงให้พิจารณาสังขารสังขารใดๆไม่เคยคงที่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมสังขารของเราไม่อยู่เท่าเดิมเราเอาหลักอะไรมาพิจารณาก็จะเห็นยากให้เรากําหนดจดจอท้อยลงไปในท้องแม่ของเรานั้นกองสังขารกองแรกที่พ่อกับแม่ประกอบกันแล้วเราไปเกิดในท้องแม่นัน่นคือสองกองสังขารคือตัวของเราไปปรากฏไปรวมกัน เป็นน้ําเป็นหยดน้ําเล็กๆคือสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันสังขารบวกสังขารก็ได้กองสังขารแล้วเราม่มีอะไรเรามีแต่นามธรรมาคือรู้มีแต่นามธรรมามีจิตจิตเข้าไปจับจองอาศัยว่ากรรมที่ไปกับจิตนั่นแหละามาเกี่ยวข้องมาผูกพันทําให้กองสังขารกองนั้นเจริญวัฒนาถาบร กองสังขารกองนั้นตั้งแต่เขาไปประกอบกันเขาจะไม่คงที่สังขารใดๆก็ตามอยู่รอบข้างตัวเรารวมทั้งตัวเราทั้งรูปธรรมของเรานามธรรมของเราไม่เคยสังขารกองใดอยู่คงที่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปการไม่อยู่เท่าเดิมนี่พุทธยถาสงสมตรัสว่าทุกขังทุกขังทุกขังอันนี้เป็นทุกขังในหลักของอริยสัจนะเป็นความทุกข์ในหลักอริยสัจพวกเราอาจจะไม่รู้จักเรารู้จักแค่ว่าเราทุกกายเราทุกใจ แต่ความไม่คงที่เท่าเดิมนั่นแหละพระเจ้าท่านก็ทรงตรัสทุกขงังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปกิริยาทางใจของเราก็เปลี่ยนไปอาการของกายเราก็เปลี่ยนไปตเรงเด่นร่างกายของเราตั้งแต่พ่อธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันธาตุนั้นน่ะกองสังขารกอง น, นั้นอยู่เท่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมวันคืนล่วงไปจากน้ำใสๆมาเป็นน้ำํำข้นๆมาเป็นน้ําเลือดมันเป็น น้ำล้างเลือดมันเป็นก้อนเลือดมันเป็นก้อนเนื้อมันมาเป็นปัญจสาขาตามบันเวลาที่เขาไม่เคยอยู่คงที่เพราะกองสังขารกองนั้นคือกองงานดีๆนี้เองเพอเวลามันประกอบไปประกอบนันแล้วก็คือกองงานท่านให้ดูท่านให้ดูอย่างนี้ท่านเพื่อให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ที่ยังไม่คงทนเปลี่ยนไปสังขารไม่คงทนนั้นเป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนันอีกอย่าง อันนี้คือภาวะของมันท่านให้ดูมาที่กายของเราเพื่อไม่ให้เราหลงยึดกายท่านให้ดูมาที่จิตของเราเพื่อไม่ให้เราหลงยึดจิตเพราะในจิตของเรานั้นมันมีสิ่งปนเปื้อนมามีเกลเทศตัณหาอาสวะปนเปื้อนมาด้วย <swimming> เราดูได้ทั้ง ah กิริยาของตายกิริยาของจิตดูไตรลักษณ์ดูกองไตรลักษณ์ดูอ น, นิจจังดูทุกขังแต่ตัณหาในหัวใจของเรามันยอมไหมอ่ามันยอมมันยอมรับไหมยอมรับไหมว่า มันของที่มันอยู่ไม่ได้มันพยายามเกณฑ์ให้คงที่ยึดมาว่าเป็นเราย้ายเป็นของของเรายึดหมายคงที่เสร็จแล้วคงที่ตามที่เรายึดไหมไม่คงที่ตามที่เรายึดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามภาวะของมันมันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันแต่ตันหานั้นมีความอยากแบบเชื่อมกันไม่ติดเป็นหินหักไปเลยแหละสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน และตันหาเป็นเรื่องของตันหาแทกเข้ามาตามเหตุตามปัจจัยเป็นเรื่องของตันหาเพราะฉะนั้นท่านให้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ตันหาในหัวใจของเรามันจำยอมจำนอนโอ้มันไม่ใช่เราจริงๆเราต้องการให้อยู่คงที่มันก็ไม่อยู่เราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนมีใครบังคับบัญชาอะไรมันได้สักอย่างไหมมพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์อบัตขึ้นมา ไม่มีพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวบังคับให้เป็นไปตามใจหวังได้ไม่มีมีแต่มาศึกษารู้ตามภาวะที่มันมีมันเป็ น, ท น, เ, ปนเท่านั้นเองนะพระยาพุทธเจ้าท่านจึงปรองพิจารณาปรองแล้วก็ปล่อยอ๋อมันมีอย่างนี้เองมันมีอยู่อย่างนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงได้ชื่อว่าตถาคตตถาคตตถาคตะทรงอยู่อย่างนี้เองเป็นอยู่อย่างนี้เองภาวะของธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่อย่างนี้เองเป็นอยู่อย่างนี้เองบังคับบัญชาไม่ได้ ทำใจอยู่อย่างนั้นแปลว่ายอมรับภาวะเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นไม่เอาความรู้สึกนึกคิดของเราไปดัดไปแปลงไปคิดไปปรุงให้เป็นอื่นไปอันนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ต่อกกรเข้าไปเพื่อจะรู้ที่จะเห็นตั้หาอาสวะข้างในหัวใจของเราพระพุทธองค์จึงทรงปราว่าอนัตตานัตตาโอ้บังคับบัญชาไม่ได้จึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไ ป, นปนตามใจหวังไม่ได้เป็นอนัตตาอันนี้คืออนัตตาส่วนใหญ่นะ อนาคตส่วนย่อยที่พวกเราประสบความทุกข์อยู่เนืองๆก็คืออะไร ค, คือเรามาักๆพยายามจะเอาจิตของเราไปบงังคับบัญชาทุกิงไหมเอาทำยังงั้นสิทําให้ถูกใจอย่างงั้นสิทําให้ได้อย่างงี้สิทําให้ได้อย่างงั้นสิแม้แต่สามีภรรยาบางทีก็บังคับเพื่อที่จะให้เปลี่ยนไปตามภรรยาก็อ ย, า, า, อ า, า, ยากยาให้สามีตามใจภรรยาก็อยากให้สามีตามใจต่างคนต่างยอมให้ตามใจาบางทีก็ประสบแต่ความทุกข์ เมื่อเขาไม่ยอมตามใจเราก็ทุกสามีให้ภรรยาตามใจภรรยาไม่ตามใจเราก็ทุกสามีภรรยาอย่าให้สามีตามใจสามีไม่ตามใจเราก็ทุกเราจะไปกักเกณฑ์ได้ยังไงมันหัวใจของเขาภรรยาก็หัวใจของภรรยาเหตุป <c oughs> ัจจัยของหัวใจของเขาสามีก็หัวใจของสามีหัวใจของเขาไปบังคับบัญชาไปกักไปเกณฑ์กันได้ที่ไหนแม้แต่ลูกของเราเราบอกสอนให้เขาอยู่ในกรอบที่เราพยายาม ตีกรอกให้เขาให้เขาอยู่ในข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่ดีวันคืนล่วงไปล่วงไปไปกับเพื่อนโอ้จิตยาบ้าเสช่แล้วแน่เรียนไม่ทันเพื่อนเนใช่แล้วแน่เห็นไหมผิดหวังอีแล้วทุกไหมนี่คือความทุกข์ในอาคินกรรมที่พวกเราประสบอยู่ประจำวันหนึงเนืองความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปรารถนาและเขาไม่สมหวังทั้งนั้นความปรารถนาท่านี้เป็นอนานาจของกิเลสปรารถนาอีกเป็นประจำใจหวัง พระยาผู้ศรีเจ้าท่านจึงพิจรณาปลงแล้วก็ปล่อยด้วยเหตุที่พระองค์ปล่อยนั่นเองทําให้พระองค์เข้าถึงประมังสุขขังเพราะมันยึดไม่ได้มาถือไม่ได้แทนที่มันจะเป็นอัตตามันก็เป็นอนัตตาอ๋อถ้าเป็นตนท่านใช้ประเด็นนี้เลยนะท่านบอกว่าถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่เราคําว่าเอาจิตของเราเนี่ยไปบงังคับบัญชาถ้าเป็นเรามัน ถ้าเป็นเราเช่นอย่างกายเหมือนกันแหละถ้าเป็นเราเราต้องบังคับได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บเจ็บใครได้ป่วยแล้วก็ไม่ให้ตายเนี่ยเราบังคับได้แต่ด้วยเหตุที่ไม่ใช่เราเราจรึงบังคับบัญชาไม่ได้จึงพิจารณาปลงปล่อยรู้ตามภาวะความมีความเป็นของมันพระองค์จึงเข้าถึงประมังสุขขังประมังสุขังเร า, าพิจารณาดูว่าอุทกดาบุตอารดาบุตนั้นเนะี่ยเขาได้ความสงบละเอียดลึกมากรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติ แต่เขาไม่ได้พิจารณาปลงปล่อยถึงอันนี้เขาอาจจะเห็นอั น, นิดจังเขาอาจจะเห็นทุกขังแต่ภาวะอนัตตาเนี่ยเขาปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วเป็นปล่อยเป็นอนัตตาแล้วะจะเอาความสุขมาจากไหนเขาต้องการให้มีผู้เสวยสุขว่างั้นเถะศาสนาพราหมณ์จึงต้องการให้มีผู้เสวยสุขศา ส, สนาพราหมณ์คือศาสนาแห่งอัตตา อ, อัตตาอัตตก็คือตัวตน ต้องการให้สงบเขาสงบได้ตามใจสงบถึงขั้นรู ป, ปรสมาบัติอรู ป, ปรสมมาบัติเขาสงบได้แต่ถ้าหากเขาดับชีพวายชวนไปแล้วเขาไปเกิดนูน่นบนพรหมโลกนั่นน่ะเขาบอกว่าตายแล้วไปเกิดบนพรหมโลกไปเป็นไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระพรหมไปเป็นปรมาเป็นอัตตมันเป็นอัตมั น, ป น, มนไปเกิดบนโลกกับพระพรหมเป็นปรมาตมันเขาประโลมกันเป็นปรมาตมันนั่นคือเป็นศาสนาแห่งอัตตา รุติยาท่านรู้ว่ารู้ว่าพวกพรหมนี่มีภพจำกัดแล้วก็มีอายุจำกัดอพอเขาอยู่ครบอายุเขาตก็ตกตกลงมาอีกแล้วพวกพรหมทั้งหลายทั้งปวงแต่ด้วยเหตุที่โรคพวกพรหมเนี่ยมันยาวมากนานมากพวกพรหมทั้งหลายจึงหลงตัวเองว่าตัวเองนี่ยั่งยืนหลงตัวเองว่าความเป็นอยู่ของตัวเองนี่เที่ยงหลงตัวเองว่าอยู่ยั่งยืนแต่พระพุทธเจ้าคิดเลยนั้นต่ออีกโอ้ไม่เที่ยงไม่ย่งยืน ในเมื่อมีที่จํากัดมันก็ต้องมีอายุจํากัดอายุจํากัดมันก็หมดไปได้แม้แต่เรามาคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีสยสายสองไข่แสนมหากับมแปดสองไข่แสนมหากรรมสีอสองไข่แสนมหากรรมสงไข่สงไข่มันมากกว่า8ป0 0 0ืี่พันกรรมนะแปดหมืับไม่ต้องมานับแค่แสนมหากับที่ท่านบําเพ็ญบารมีกําไรได้วยแสนมหากับมสยาสงไข่อย่างเงี้ยมันนานเท่าไหร่มันก็เต็มได้ แปะสงขขยแสนหมากับนานเท่าไหร่มันก็เต็มได้ที่พ่อะสมไขยแสนหมากับนานเท่าไหร่มันก็เต็มได้เนี่ยขึ้นชื่อว่าที่มีที่จํากัดแล้วมันมีเวลาจํากัด น, นานขนาดไหนก็ตามมันก็หมดไปได้แต่ด้วยเหตุที่พระเจ้าผู้ริเจ้าปรองปลอยได้หมดโอ้ไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาตรงปรงปล่อยเข้าถึงประมังเข้าถึงบรมสุขเลยเนี่ยปล่อยปล อ, อยนี่ทําไงทําไงก็คือตัณหาเกิดไม่ได้ ไม่มีอะไรตัวอะไรมายึดในขณะที่พระองค์พิจารณาในปัดปัดอ่าปัดชิมยามนั่นแหะจําเป็นเหตุให้พระองค์ได้อาสวัคยายานอาสวัคยายานอ่าปทมยามพ ร, ระองค์ได้ปุเพนิวาสนุสานุสติยานอมัดชิมยามยามท่ามกลางทําให้พระองค์ได้จุตูปปาตยานทั้งสองยามนี้ ทำให้พระองค er er mm. ์เห er ็นภพชาติของสากน้ายเกิดตายเกิดตายรวมทั้งภพชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายและก็รู้กรรมด้วยว่าทํากรรมนั่นมาเกิดเป็นนี้ทํากรรมนี้ไปเกิดเป็นนั่นแต่ว่าก็แค่นั้นเองเกิดตายเกิดตายเกิดตายพอยามสุดท้ายพระองค์ก็เอาพระจิตของพระองค์ที่ประกอบไปด้วยสมาธิแนบแน่นมั่นคงที่ประกอบไปด้วยปัญญาหมุนเต็มที่จนกลายเป็นตะปะแผดเผาไปในหัวใจของกิเลสตัณหาที่มันกองอยู่ในหัวใจ พยายามสุดท้ายทําให้พระองค์เข้าถึงความเป็นเข้าถึงอาสวัคยาญาณมียานอย่างหนึ่งมียานอย่างหนึ่งรู้ว่าอาสวักิเลสตหาในพระทัยขององค์เหือดแห้งหายไปหมดเปลี่ยงไม่มีอะไรเหลือนะหายเหือดแห้งไปหมดเลี่ยงไม่มีอะไรเหลือสิ่งเหล่านั้นเหือดแห้งไปด้วยอะไรเหือดแห้งไปด้วยตะปะธรรมตปะธรรมก็คืออะไร สมาธิธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่แหละที่แพ้เปร้ยอยู่เหล่านั้นจนทําให้สิ่งเหล่านั้นเหือดแห้งหายไปไหนก็ไม่รู้กิเลสตัณหาเหล่านั้นเหือดแห้งไปจนหมดสิ้นจากพระไัยของพระองค์พระองค์ย้อนมาดูว่าพระไถยของพระองค์นี่มีความบริสุทธิ์หมดจดบดยสิ้นเชิงแล้วไม่เหมือนตอนที่พระองค์ไปศึกษากับอุทกกระดับวลาระดับบัอาจารย์บอกว่าหมดแล้วความรู้ของเรา พระองค์ย้อนเข้ามาที่พระทัยของพระองค์ยังมีความทุกข์คลองเต็มแปร่ยอยู่นั่นแหละโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นเหตุให้พระองค์ต้องออกมาบำเพ็ญโดยลําพังดีเห็นไหมเราเอาคตสิสองอย่างนี้มาพิจารณาเราจะเห็นข้อแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ภรลนามาให้พวกเราได้ยินได้ฟังคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางเอามาพิจารณาในการตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมในการตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็เป็นกลยุทหมายป้ายทางให้เราได้ยินได้ฟัง ก็จะขยับมาอยู่กับกองงานเกนะี่ยวกับการตั้งใจทําให้สงบเราก็ตั้งใจทําให้สงบไปเพราะจิตมีกําลังก็มาพิจารณาพิจารณาเพื่อไม่ให้ความอยากที่เป็นไปตามอํานาจของเิเลมันเกิดขึ้นอ่ามันกระดุกกระดิกพลิกแปลงไปยังไงมีสติมีสัมผัสยันยักกมลจดจ่อรู้เท่าทันอ๋ออันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นธรรมตั้งอกตั้งใจทําด้วยเรี่ยวแรงทําให้เป็นทําให้ตายท่านก็ไม่ถือว่ายิ่งจนเกินไปแต่ถ้าปฏิบัติผิดนั้นอนะ่ะทำ ทำไม่ถึงไหนทั้งก็บอกว่าผิดอยู่แล้วเช่นอย่างกาเมสุขาลิกาโนโยะเราไปบำรุงบำรเอเรื่องของกามทั้งหลายทั้งปวงให้เราติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนั่นแหละคืออัตตาอัตติกิรัตนั่นกแหละคือกาเมสุขาลิกาโุโยะประกอบตนผัวพันธุ์ในกามการที่เราทําตัวประกอบตนผัวพันธุ์ในกามนั้นเราต้องการมรต้องการผลเหมือนกับเราต้องการไฟ การที่จินของเราชุ่มแปร่อยู่ในกามนั้นน่ะเหมือนกับไม้สดส ด, สดชุ่มด้วยยางเราต้องการนํามาเสียให้เกิดไฟเกิดไฟไม่ได้นอกจากนั้นแล้วเรามีบริโภคกามเก่าด้วยจะบริโภคกามใหม่อีกด้วยเมื่อก็เราเอาไปแช่อยู่ในน้ําอีกไม้เปียกว่างั้นเถอะชุ่มด้วยยางด้วยแล้วก็เปียกอีกด้วยเอามาเสียให้เกิดไฟเหนื่อยเปล่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ า, าเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราจะต้องให้ใจสงบเหมือนกับเราพยางตากใจของเราให้แห้ง เมือ่อเราพยายามตั้งใจตาตากไม้ให้แห้งเพื่อจะอไม้แห้งนะมาเสียเกิดไฟนะเราพิจารณาดูว่าไม้สดเสียเกิดไฟได้ไหมเกิดไม่ได้ต้องเป็นไม้แห้งเท่านั้นท่านจึงว่าใครมีกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากการมีกายยังไม่ออกจากการมีจิตยังไม่ออกจาก ก, รรมมกา ม, ม, ออกากรรมเหมือนไม้สดชุ่มด้วยหยางยิ่งบริวโพกามด้วยแล้วท่านบอกว่าเหมือนแช่อยู่ในน้ํา อามาเสียเกิดไฟย่อมเหนื่อยเปล่าเน็บเหนื่อยเปล่าไอ้คำว่าเน็บเหนื่อยเปล่าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่มีผลวิบากเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้มันมีอยู่แต่ว่าจะทําให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นเราพูดถึงตรงนี้เราเห็นความสําคัญของสมถะใจของเราอย่างน้อยๆทาให้เราหยุดซะก่อนชะลอซะก่อนให้อยู่ซะก่อนเสร็จแล้วเรามาค่อยมาพิจารณาเกิดปัญญา ถ้าเราหยุดไม่อยู่ชะลอไม่อยู่เอาจิตจะหยุดไม่อยู่ชะลอไม่อยู่จิตยังหิวยังกระหายอยู่เนี่ยไปทําให้เกิดปัญญาเห็นไม่ได้เห็นแต่สัญญาพิจารณาไปพิจารณาไปจากอารมณ์ที่เป็นธรรมเนี่ยกลายเป็นอารมณ์ที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาขึ้นมาจากอารมณ์ที่เป็นอสุภะเนี่ยพิจารณาไปพิจารณามาเนี่ยเอา้ากลายเป็นสุภาษขึ้นมาแล้วสวยเหลือเกินงามเหลือเกินเกิดตัณหาเกิดราคะขึ้นมาทันทีมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาคนที่เคยทําให้เราเครียดอาฆาตพยาบาท พิจารณาเพื่อที่จะปรงเพื่อที่จะปล่อยพิจารณาไปพิจารณามาแออความแค้มันดันเข้ามาอีกน่นใช่หไหมมันไม่มีกําลังพอที่จะไปสงบไประงับมันเราเห็นความสําคัญของสมถะหรือยังนี่คือความสําคัญของสมถะเราสงบระงับอยู่ในเรื่องนี้จิตของเรานั้นสามารถเอาออกจากกามได้ด้วยอํานาจของความสงบความสงบนั้นน่ะมันเป็นการเอาจิตของเราสำรอง อ, ออกจากกามสําคัญหรือไม่สําคัญเรารู้ที่พระยายพุทธเจ้าท่านจึงทรงเอาเอาการสีไม้เกิดไฟมาเปรียบเทียบ อุบายนี้มันเป็นอุบายที่เกิดขึ้นกับพระองค์เองนะเป็นอุบายที่เกิดขึ้นก่อนพระองค์ตรัสรู้ไม่กี่วันอุบายเนี้ยอุบายที่เอาไม้มาเสียเกิดไฟเนี้ยที น, นี้สมมติพวกเราได้ยินได้ฟังเรามีความสงบแล้วจิตของเราสงบแล้วเรามีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่างเต็มที่แล้วแต่เราเราก็ตั้งใจทำบ้างไม่ตั้งใจทําบ้างเขาเรียกว่าไม้แห้งอยู่ เราก็สีอยู่สีเกิดไฟแต่เราสีไม่ถึงเราสีหยุดสีสีสีสีแล้วก็หยุดสีสีสีสีแล้วก็หยุดไฟที่ไหนมันจะเกิดได้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นบุรุษที่3ามบุษที่สีก็คือเป็นบรุษที่อมายแห้งที่อยู่บนบกแล้วอามาสีสีอย่างต่อเนื่องสีหนักหน้าเข้าไปเรื่อยสีหนักหน้าเข้าไปเรื่อยสีหนักหน้าเข้าไปเรื่อยจนมีสัญลักษณ์บอกปรากฏว่าเป็นไฟไฟมีสัญลักษณ์บอกขึ้น โอ้มีควันเกิดขึ้นแล้วโอ้ข่าเมาดำๆเกิดขึ้นแล้วโอ้ข่มาแดงๆเกิดขึ้นแล้วพอมาถึงตอนนี้ถ้าสมมุติถ้าเราหยุดพอเราหยุดให้ความร้อนเหล่าน้ําก็หมดไปนะ เ, เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําอย่างต่อเนื่องทําต่อเนื่องทำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนาขึ้นไปเรื่อยยิ่งใกล้จะติดท่าไหร่ก็แล้ ว, ลวยิ่งขยับขยั บ, ข ย, บขยับจนลุกออกเป็นเปลวขึ้นมาได้ไฝ่ใช้หมายความว่าทำของเราที่เราขยับกำลังขยับขยื่อน ขัดสีถูอยู่ข้างในอยู่นั่นแหละกําลังที่ทํากําลังเกิดเราจะยูไม่ได้เราจะรั้งรอไม่ได้เราจะปล่อยไม่ได้เราจะวางไม่ได้เราจะเสียเวลาเหมือนกับไฟกําลังร้อนอยู่ถ้าเราหยุดมันก็เย็นไปอยูแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสู้เป็นสู้ตายตอนนี้ที่ท่เรียกว่าเด่นตายเด่นตายเด่นตายตรงนี้ขยับจนฟุดได้เปลวไฟได้ไฟใช้ในขณะที่เราขัดสีอยู่นั้นเหมือนกระดับเจริญอปัญญา เจริญไปเจริญไปเจริญไปจนเกิดปัญญายานปัญญายานนี่คือผลปรากฏที่แตกต่างแปลกประหลาดอัจฉรยะจากความนึกความคิดพื้นๆธรรมดาจนเป็นเหตุให้เราเอกใจว่าอ๋อออทำให้เราเกิดความนึกเกิดความคิดมีความแปลกประหลาดอัจฉรย์ถึงขั้นนี้ระดับนี้พอเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเรามาเทียบกันดูไม้ทั้งดุนสีไปสีไปสีไปสีไ ป, ไปจนเกิดเป็นเปลวไฟ ไม้ทั้งรุ่นกับเปลวไฟเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเปลวไฟที่เราเอาได้ไฟใช้เอามาจุดน้นมาจุดนี้มาหุงมาต้องมาทําให้เกิดความสว่างนั่นคือไฟเป็นการจุดประกายไฟจนติดว่างั้นเถอ ะ, ะกับที่เราไม้ทั้งรุ่นมาสีมันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นในขณะที่เราดําเนินข้อปฏิบัติอยู่นีน้มันเป็นการเจริญสมถะมันเป็นการเจริญวิปัสนา เราได้ทําถึงที่เราทําได้ถูกที่จนกลาย เ, ลยเป็นปัญญากลายเป็นปัญญายานเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนายานถึงขั้นนะนั้นแล้วมันเป็นมันเป็นขั้นที่ตั ด, ตดสินเด็ดขาดเป็นขั้นไหนเป็นระดับไห น, นก็ตัดสินใจกระเด็นขาดไปเลยนี่แต่เราต้องตั้งใจทําอย่างยิ่งยวดไม่ธรรมดานี้เราพูดถึงกิริยาอาการที่เรามาตั้งใจทําให้ธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจัยของเรา เพราะฉะนั้นวิธีเจริญตามหลักมหาสติปัญฐานนะโดยเฉพาะหลักพิจารณาลิยัสสสีพิจารณ า, า, าทุกข์ยอ้อนมาดูสมุทยัยนะในขณะที่เราย้อนมาดูสมุทยัยเพื่อที่จะดับสมุทยัยในเมื่อเรากำลังเจริญอยู่พิจารณาย้อนก็ไปพิจารณาย้อนกลับมานะ่ะมันเป็นการเจริญมรรคได้ถูกต้องพอเวลาเราดับได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะ่ะมันเป็นนิโรธคือความดับนี่เป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรรค ผลใดๆที่เราหวังตั้งใจหวังว่าจะให้เกิดวาดมโนภาพว่าจะให้เกิดผลผลนั้นๆผลนั้นๆพอเวลาปรากฏขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะเกิดไม่ได้เวลามันเกิดมันจะเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทําได้อย่างเดียวคือตั้งใจทําประกอบมัดทุกสมุทัยนิโรธมัดเรายึดไม่ได้เสยียทุกเราก็ยึดไม่ได้สมุทัยเรายิ่งยึดไม่ได้ แม้แต่นิโรธเราก็ยึดไม่ได้เรายึดได้อย่างเดียวคือมร์ตั้งใจทํามร์ให้จริงจังเข้าไปแล้วก็ผลเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในหัวใจของเราโอ้รู้สึกว่าภานาแต่เรื่องข้างในเท่านั้นนะบางคนฟังเข้าใจรู้เรื่องหรือเปล่าฮะโ <c oughs> ดยเหตุที่วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราจัดให้มีรอบการมาอบรมอย่างนี้ตรงนี้ก็มาได้หลายรอบหลายวาระแล้ว เมื่อกี้ก็ได้พักตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วว่ า, าการที่เราใส่ชุดดำนี้คือว่าเป็นชุดไว้ทุกขเพราะว่าตอนนี้ในหลวงของเราได้ถึงแก่สวรรคตรไปตั้งแต่วันที่สิบสามเดือนก่อนโน้นโดยเหตุที่พวกเราเป็นพู้ธบริษัทเป็นประสงคนิกรของพระองค์พวกเราก็อดที่จะลึกนึกถึงพระองค์ไม่ได้การที่เราระ ล, ลึกได้อย่างนี้มันเป็นผู้มีหลักมีเกณในใจของเรา ในหลวงนั้นถ้ามาเสียสละเพื่อพวกเราทั้งชาติท่าน ต, ตั้งใจครองราชสมบัติมาเป็นเวลาถึงเจสิปีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของชนชาวสยามตั้งใจครองเพื่อประโยชน์สุขของชนชาวสยามเพราะฉะนั้นท่านตั้งใจทําทุกอย่างเรารู้เรื่องของพระศาสนาเนี่ยมีในหลวงวเป็นคนประคับประคองเอาไว้นะ โดยที่พระองค์บำรุงส่งเสริมและพระองค์เป็นพุท ธ, ธมาม ก, กะและพระองค์บำรุงส่งเสริมพระเจ้าพระสงฆ์เห็นไหมโดยโด้วยเหตุที่พระองค์ให้สมณศักดิ์สมณศักดิ์คือศักดิ์ของสมณะสมัยพุท ธ, ธรรกาลไม่มีแต่พอมาสมัยพระเจ้าเป็นดีพระเจ้าเป็นดีของเราเป็นศาสนูประธรรมคืออุปธรรมและก็เป็นพุท ธ, ธมาม ก, กะพระองค์ก็ส่งเสริมให้พระสงฆ์เหล่านี้มีกำลังใจท่านให้ตำแหน่งพระครูให้สมณศักดิ์เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณ ฉั น, นั้นฉั น, นั้นฉ น, นันฉ น, นันสูงสุดจนถึงขั้นสมเด็จสมเด็จพระราชาคณะอ่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชนี่คือนี่คือกำลังเรี่ยวแรงที่โปรง่งช่วยส่งเสริมสนับสนุสนพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเนี้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีในสมแดนโลกธาตุอ่าไม่มีอะไรเลิศเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะโอกาสที่จะมารู้มาเห็นมาเข้าใจเรื่องธรรมะเหล่านี้ยากแสน ย, ยาก เรามาคิดดูว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละพระองค์ยากมากแต่พวกเราโชคดีมากนะกลับนี้เป็นกลับที่ตะเนียกว่าพัดทรัพ ก, กับมีพระพุทธเจ้าสี่องค์ห้าองค์ในชะ่ไหมล่วงไปแล้วห้าสี่องค์เหลืออีกหนึ่งองค์อยู่ข้างหน้าคือพระศียยะเมตไตรพระกัคุสันโธพระโคนาคมโนพระกัสโปรพระโคตโมล่วงไปแล้วสี่พระองค์ สีพระองค์แต่ธรรมะของพระโคตโมยังทรงอยู่ให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ถือตามได้ประพฤติตามได้ปฏิบัติตามใครมีมัสมีผลมีนิสัยมีอุปนิสัยในหัวใจตั้งอกตั้งใจทําไปมัสมผลเหล่านี้ตราบใดที่เราเจริญทีไรเมื่อไรอท่านจึงท่านจึงทรงตรัสว่าอริยมัสมีองค์8ของพระองค์ตราบใดที่มีคนเอามาเจริญมาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามตราบนั้นตอนนั้นพระอรหันต์จากไม่สูญไปจากโลกพระอรหันต์ไม่สูญไปจากโลก แต่ตราบใดที่ไม่มีคนเอามรผลเหล่านั้นมาเจริญข้อปฏิบัติธรรมของพระองค์หรือสัจธรรมที่พระองค์นำมาสอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในโลกไม่ได้ดับสูญหายไปไหนพระองค์มเมาบัตมเมาบัตเพื่อยกสิ่งเหล่านี้มาเพื่อแจกแจงพวกเราให้พวกเรารู้เห็นตั้งใจถือตามประบฤติตามปฏิบัติธรรมหาช่องออกจากกองทุกซึ่งพระองค์เป็นผู้นําเป็นผู้นํนานําพาเป็นคนแรกนี่ในหลวงของเราท่านมีปัญญาเฉลี่ยฉลาดอ่า ท่านเห็นความสําคัญของพระพุทธศ า, า, าสนาเอามาเป็นศาสนาประจำชาติเริ่มแรกนู่นไปรับมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยไปรับมาจากศรีลังกาแล้วก็มาถือตามมาพระพิตาามมปฏิบัติตามมีความเจริญงอกเงยเจริญงอกงามมาโดยลําดับเป็นชั้นนั้นเป็นชั้นนี้เป็นฝ่ายคามวาสีเป็นฝ่ายอารัญญาวาสีฝ่ายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพระองค์ช่วยส่งเสริมมีสมณศัิ์ มีนิยพัทอ่ามีมียพัทนะตั้งแต่เจ้าวาดเป็นพระครูชั้นนั้นชั้นนั้นอ่ะมีนิยพัตคําว่านิยพัตก็คือมีค่าตอบแทนอ่าอย่างทุกวันนี้ก็คือเป็นเหตุเป็นปัจจเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเท่านั้นบาดเท่านี้บาทท่านถือว่าเป็นนิยพัตคําว่านิยพัตเนี่ยก็คือให้เป็นประจำว่างั้นเถอะสิ้นเดือนก็ให้สิ้นเดือนก็ให้สิ้นเดือนก็ให้ให้มากให้น้อยก็คือให้ตามที่มันมีให้ตามที่มีให้ตามที่เป็นนี่ครับพระองค์ช่วยบารุงส่งเสริม รองส่งเสริมขณะนี้แล้วก็เช่นอย่างเทศกาลกรถินเราก็ดูที่กรถิ่นพระราชทานเนี่ยองก็ไปพระราชทานที่นู่นไปพระราชทานที่นี้วัดวารามสร้างวัด um, ที <lit> ่นู่นสร้างวัดที่นี่ส่งเสริมวัดที่นู่นส่งเสริมวัดที่นี่ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวพระเจ้าเป็นดินของเราเองท่านอุบัติมาเพื่อมาช่วยพวกเราถ้าท่านเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นเทวดามาเพื่อจะโปรดพวกเรา บุญกุศลยิ่งใหญ่มหาศาลที่ท่านที่ท่านมีที่ท่านจัดที่ท่านทําที่ท่านมีโดยเฉพาะบา ร, รมีทั้งสิบเนี่ยพระองค์ทรงบาเพ็ญได้เต็มเต็มเต็มเปี่ยมนะบำเพ็ญได้ทั้งหมดทเนี่ยทานเนี่ยพระองค์ก็ทำได้อย่างเต็มที่ทานเนี่ยตั้งใจรักษาศีลเนี่ยในธรรมเนี่ยพระองค์ก็ออกบวชนะศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะได้แล้ว ถึงแม้จะออกบวชหรือไม่ออกบวชก็เอาข้ออ่านข้อธรรมเหล่านั้นมาตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามอเนกขมะปัญญาวิทยาคติสัจจะอธิษฐานเมตตาเปขาพระองค์ทรงมีพร้อมหมดบา ร, รมีทั้ง10อย่างนี้แต่จริงบา ร, รมีทั้ง10นี้เป็นบา ร, รมีถ้าทำทำให้สมบูรณ์เต็มที่มันเป็นปปปบบารมีของพระโพธิสัตว์อ่าเป็นบา ร, รมีผู้ที่สร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพุท ธ, ธะแต่พวกเราสาวก เราไม่จ ะ, whom, จ ะ, ะจ enfin ต้องไม่จ ำ, the cera, ำ well. ป uh. เป็นจะต้องเป็นหนักแน่นทั้งหมดดอกตั้งใจทําความภาคความเพียรให้จิตสงบพิจารณาเกิดปัญญาเพราะว่าข้ออัดข้อทำพระองค์ทรงวางไว้ให้พวกเราไว้หมดแล้วเราได้ยินได้ฟังถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามโดยเหตุที่พระองค์ก็มีกองสังขารเหมือนพวกเราก็ล่วงไปเหมือนพวกเราเสื่อมไปเหมือนพวกเราสิ้นไปเหมือนพวกเราถึงการถึงคราวปีนี้พระองค์อายุได้เท่าไหร่8ปด พัรษา8889พรรษาพระองค์ก็สวรรคตไปพวกเราพุทธบริษัทพวกเราเป็นประสบนิกรเป็นพุทธศาสนิกชนวดที่จะ น, นึกถึงพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์อยู่แล้วก็ทำหน้าที่เหมือนพ่ อ, อเป็นพ่อของเป็นดินเป็นพ่อของเป็นดินเป็นพ่อหลวงมีชื่อเรียกหลายชื่อพ่อของเป็นดินเป็นพ่อหลวง อ่ า, อาเป็นในหลวงเนี่ยแล้วแต่เราจะเรียกแล้วแต่เราจะเรียกเป็นในหลวงที่เข้าถึงประชาชนทุกหัวระแหงว่างั้นที่ทุกยากที่ลําบาก ท, ที่กันดานแล้วก็ไปสร้างกองงานทั้งหลายที่เรียกว่าโครงการพระราชดำ ร, ริเป็นพันพันโครงการโครงการเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือประสบนกรช่วยเหลือพวกเรานั่นเองให้เป็นผู้อยู่ดีอยู่ดีมีสุขมีความรอบรู้ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกับพยายามหาเรื่องแก้โรคนั้นแก้โรคนี้เราไปดูได้โรคหัวใจโรคเรื้อนโรควรณโรคโรคอะไรอะไรซึ่งองค์เป็นหัวคิดเป็นต้นต่อในการที่จะมาจัดมาทําเพื่อเอามาช่วยให้คนเพราะว่าถ้าคนเจ็บไข้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บการพัฒนาประเทศก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจึงสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอสร้างโรงพยาบาลสร้างหมอ โดยที่แท้จริงก็สืบช่วงมาตั้งแต่นุ่นพระพระราชบิดาของของพระองค์พ ร, ร, ร, ร, ร, ระบิดาของพระองค์พระเจ้การรัชกาลที่เลยนะครับพระบิดาของพระองค์เป็นแพทย์เป็นเป็นนายแพทย์โอ้ตั้งรกร่างามามากม า, ม า, ายมหาสารเราไปอา่อานอ่านดูตามตำนานแล้วเราจะปลื้มใจน้ำหูน้ำตาไหลไปตามท่าน <S <S ท่านเกิดมาเพื่อสร้างแต่คุณงามความดีเพื่อประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขด้วยกันทุก ท่วนหน้ากันทั้งบรร น, นอกทั้งในเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อภาวะแบบนี้มาพวกเราก็อดที่จะราลึกนึกถึงพระองค์ไม่ได้อดที่จะไว้ทุกข์ไว้อะไรพระองค์ไม่ได้บางคนก็บางแห่งก็จะดสวดพระพิธรรมเพื่อถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลบางแห่งก็ทอดกระถิน่นถวายเป็นพระราชกุศลบางแห่งก็จัดปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศล ด้วยเหตุที่เราไม่ลืมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ลืมบุญไม่ลืมคุณของท่านบุญคุณส่วนนี้จะต้องมาตอบมาสนองเราทําให้เราได้หลักได้เกณฑ์เราไม่ทอดทิ้งเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้เราควรยกย่องเทิดทูนชมเชยเป็นหลักเป็นใหญ่เป็นประธานในชาติในแผ่นดินถ้าจะเทียบไปแล้วท่านกัไม่ต่างอะไรกับเทวดาที่เราสมมุติเทพสมุติเทพเป็นสมุติเทพเราไปดูในกฎ ที่ท่านเขียนเอาไว้เที่ยวกขาเดิมก็จะเป็นดินอู้ยากเย็ยนมากทำตัวลําบากมากพยายามรักษาเอาไว้เกิดความขลังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้สมกับว่าเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาโดยสมุติยลิพเทเทพเทเทพนั้นอ่ะสมมุติเทพในหลวงถือว่าเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาโดยสมมุติเป็นเทวดาที่เราเห็นได้ถ้าเราไปใกล้เราก็ได้แตะต้องสัมผัสได้วิสุ ธ, ธิเทพ เทวดาโดยการปฏิบัติชำระ ต, ตนให้บริสุทธิ์เช่นอย่างพระอระหันเนี่ยหรือพระสะวสดาบันเป็นต้นไปเริ่มบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นวิสุทธิเทพอันนี้วิสุทธิเทพไม่ใครตั้งใจทําได้ปฏิบัติตามได้คนนั้นเป็นวิสุทธิเทพแล้วก็มีอุปติเทพคือเทวดาโดยกําเนิดเทวดาฉันนั้นฉันนั้นฉันนั้นจ่าตุ้มดาวดึงยามาคือเทวดาแต่ในหลวงของเราท่านเป็นสมมุติเทพสมมุติเทวราชสมุติเทพ โอ้เอาพระไทยใจใส่หัวใจของคนถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยแล้วโอ้เอาหัวใจ ใ, ใจใส่ใจใส่หัวใจของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงประคับประคองเพื่อให้เขาเนยอยู่ในศีลนะอยู่ในธรรมประคับประคองอเพื่อที่จะรักษาดูแลให้เขาเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเพื่อให้เขาพลาดไปจากโอกาสที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราล่ะท่านมี ท่านมีท่านมีติพุทธกิจพุทธกิจเวลาใกล้สว่างนะ่ะเล็งดูสัตว์โลกเล็งดูสัตว์โลกก็เพราะอะไรเพราะอำนาจของความเมตตานั่นเองอ๋อคนนั้นน่มีบุญมีบารมีที่จะได้ฟังอัดฟังธรรมแล้วจะได้เข้าถึงอัดเข้าถึงธรรมพระองค์ก็เสียสละไปโปรจะจะเล็งดูสัตวโลก ท่านจะมีพุทธกิจพุทธกิจหาเราไปดูพุทธกิจห้ามันจะมีอยู่ข้อนหนึ่งเร็งดูสัพท์วะโลกด้วยอำนาจของความเมตตายพยายามประคับประคองดวงใจดวงนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านมีบุญญาบา ร, รมีมากท่านมีปัญญารู้ยิ่งเกินล่วงกว่าความรู้ความลึกความคิดของพวกเราเรารเราทำไม่ได้เรามารู้อย่างพระจุลบันโท น, นี้แหละไม่มีปัญญาท่องจําแค่สองแถวเนี่ยตลอดภาษาจําไม่ได้ แต่เวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านเอรามิตรผ้าขาวให้บริกรรมบริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปผ้าขาวของท่านให้บริกรมรมพระรโชหะนงังพระโชหะังพระจุลปันถกบริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปผ้าขาวผองน่ะเริ่มมองลงมองลงมองลงมองลงเอ๊คือความรู้สึกโอ้ตัวเรานี่ปฏิกูลตัวเรานีนโสโครกเห็นเห็นไงดำดำมันไปเปื้อนที่ผ้าน่ยเห็นว่าตัวเราปฏิกูลบริโภคปฏิกูลโสโคร เพราะพระพุทธเจ้าท่านเล่งไปถึงอดีตกรรมของพระจุลปันโทท่านเคยได้ปฏิกรลสัญญาสมัยท่านเป็นพระราชาเรียกดูพระนครมีเงือแตกเอาภาช น, น้ามาเช็ดผ้าเช็ดหน้าดำด้วยเงือใครเกิดสลดใจสังเวชใจนั่นแค่นั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานนะแล้วก็สงผลมาจนถึงชาติสุดท้ายที่มาเป็นจุลปันโกพระพุทธเจ้าพิจารณาอย่างนั้นเนี่จุลพันโทเกิดสลดสังเวชพระองค์ก็พิจารณาให้เกิดเป็น พระองค์ก็แผ่ให้เป็นลักษณะของวิปัสนาให้จุลปันถกได้พิจารณาจุลโพธตกพิจารณาปุ๊บได้บรรลุธรรมปับ๊บโอเป็นมันเป็นการพลิกจิตเลยนะ่ะแป๊บเดียวได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์มีฤทธิ์มีเดชมาพร้อมเลยจากคนคนเดียวในธรรมิได้เป็นพันคนก็ได้นะเนื่องจากวันนั้นน่ะพี่ชายเป็นพระัทุเทพนิมนต์พระพุทธเจ้าทั้ง พระสงสาวกองอื่นๆไปชั้นที่บ้านหมอชีวกทั้งหมดแต่น้องชายตัวเองไม่บอกดัดดัดเส้นที่ว่าท่องจำสามเดือนสองแถวก็จําไม่ได้น้องชายเสียใจไม่ได้ไปในที่นี้หมดไปว่าจะไปว่าจะไปศึก <c oughs> อยู่ในข่ายของพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าก็เลยไปดัดเธอจะไปไหนไปศึกไปเจ้าข่าศึกทําไมะเธอไม่ได้บวชเพื่อพี่ชายเธอเนี่ยเธอบวชอุทิศเราเพื่อเรามานีมานีมาเ น, น, น, นรมิตรผ้าขาวให้ทํา จนได้อาจได้ทํำได้มักได้ผลนะเพราะได้ได้อาจได้ทำได้มักได้ผลแล้วพระพุทธเจ้านั่งมองอยู่ที่นู้นแหละอบอกว่าจะให้ให้ให้พรถวายของอาหารเสียบเรียบร้อยแล้วให้พรโอ้ยังหมดยังไม่หมดยังมีพระอยู่ที่วัดให้ไปตามไปที่ไหนได้มีพระหนึ่งองค์อยู่ที่วัดไปพระอยู่เต็มวัดหมูลแปลงจ่าหนึ่งองค์ให้เป็นหนึ่งพันผงเห็นไหมนี่คือผู้ที่รู้เบื้องหลังได้อย่างดีก็คือพระพุทธเจ้าอ่า เป็นประเภทพุทธเวไในเป็นพุทธเวรในอยู่ในขอบเขต ท, ที่พระรูปยาจะไปบอกได้ไปสอนได้ไปก็ไปเรียกไปเรียกไปเรียกจุลปันทุกรอบสอ square, ให้ไปเรียกจุลปันทุกคนนักปันทุกคนนี้ปันทุกเต็มไปหมดรอบที่สามกลับไปใหม่ใหจ้จะให้ไปจับมือใครว่าจุลปันให้ไปจับมือคนที่ไปเรียกเลยไปจับมือพอไปจับมือก็ภาพนอกนั้นก็หายหมดเกิดจากฤทธิ์เดชของพระจุลปันทุกนี่เราเห็นไหมเลยได้พระจุลปันทุกเนี่ยไปฉันพัตตาหาร นี่คือความสามารถของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จึงสร้างบารมีสร้างบารมีมีฤทธมีเดชมีอำนาจมีปัญญามีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างถึงขนาดนี้จึงจะสามารถมองเห็นอนุสัยกิเลสตัณหาในหัวใจและสามารถจำแรกออกไปให้เหลือจิตกิจที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสังขารแม้1เดียวที่จะเป็น ที่ที่จะเป็นหนึ่งเดียวมีแต่ตั้งแต่สองสีเป็นต้นไปท่านเรียกวัดสังขารแต่สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระสงฆ์สาวกที่เป็นจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวท่านไม่เรีย้วัดสังขารท่านไม่ได้ว่ากองสังขารอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอยู่ในนั้นแต่ถ้าหากเป็นกองสังขารมีอันนี้จังมีทุกขังมีอนัตตาอยู่ในนั้น พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับพระสง์สาวกที่ท่านบริสุทธิ์นั้นท่านไม่เรียกกองสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารมันเป็นสิ่งหนึ่งที่นอกเหนือไปจากกองสังขารสิ่งเหล่านี้หมดไปจากโลกไหมไม่หมดไปจากโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์ทำนิพพานกรรมทำนิพพานกรรมพระองค์จะเอาจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นี่แหละเข้าเข้าฌานที่หนึ่งที่2ที่3ที่4อ่รูปไปฌานที่หนึ่งที่2ที่3ที่4ไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทยินตนิโรธ พระอนุรุทธะมองเห็นเวลาไปประทับอยู่ในสมมุติอย่างนั้นเสร็จแล้วพระองค์ไปย้อนมาอีกย้อนมาอีกย้อนมาอารมุปรชาเลาะย้อนม า, ารูุปรชาแล้วก็มาพระกิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาเอาอะไรเข้าออกเอาจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเข้าออกแต่เวลาไม่ประทับอยู่ในองค์ฌานจะมองไม่เห็นพระอนุรุทธะมองไม่เห็นเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ท่านจึงว่าฌานสมบัติเหล่านั้นเป็นเป็นสมมุติ เป็นวิหารธรรมที่จิตดวงนั้นฝึกฝนอบรมได้ไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์อีกต่างหากนะทีนี้ท่านเข้าไปรอบที่สองชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นสมมุติย่าพระทัพอยู่ในชานที่4ี่พระอนุรุทธะมองเห็นทีนี้พระองค์ก็ออกจากชานที่4ออกจากชานที่4แล้วอารมูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่พระจิตดวงนั้นไม่อยู่พระอนุรุทธะมองไม่เห็นเอ๊ะ พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ไปอยู่ที่ไหนไม่เห็นพูดได้อย่างเดียวว่าปาริณิพ่านแล้วเพราะฉะนั้นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ตามพระสะัส์สามพวกระอาญาสาวกระตามยังมีอยู่ในโลกเป็นเหตุสะท้อนมาที่พวกเราว่าเราทําบุญให้ทานราลึกถึงพระองค์เราทําบัดรสวดมนต์พุทธังสนาคจามิทำมังสัสรานรนังคจามิสังขังสรานังคจามิให้ตั้งอกตั้งใจทํามันกระเทือนถึงพุทธธรรมะสังฆะ พุทธรรมสังฆาเนี่แหละเป็นตัวแทนของพระองค์ใครอยากเห็นพระพุทธองค์ให้พคนนั้นเห็นธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์ผู้ใดเห็นพระองค์ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแท้จริงพระองค์ก็คือผู้บริสุทธิ์ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานนี้เองเราอย่าทําเล่นๆให้ตั้งอกตั้งใจทําเพราะมันเป็นการกระเทือนถึงพุทธธรรมสังฆะ ใครอยากเห็นพระองค์เต็มที่ตั้งใจทําให้จิตสงบจิตเริ่มสงบจะเริ่มเห็นพระองค์จิตเริ่มมีปัญญาจิตได้มรรจิตได้ผลจิตเห็นได้มรรจได้ผลหมดจดโดยชิ้นเชิงเห็นพระองค์เต็มองค์นั่นคือพระพุทธเจ้าแท้คือพุทธะแท้ท่านดับไปไหนท่านสูญไปไหนเพราะว่าธาตรู้อันนี้เป็นธาตรู้ที่มีอยู่ในโลกนั่งเดิมเหมือนกับธาตไม่รู้คือดินน้ํามลมไฟของเราเนี่ยแหละมันมีอยู่ในโลกนั่งเดิมเวลาเราเกิด เราไม่ได้เอาของใหม่หไหนมาเกิดเอาของเก่านี่แหละมาเกิดเอาดินน้ํำลมไฟเอาธาตรู้ที่เป็นของเก่าในโลกลมาเกิดพอเวลาท่านชะล้างบริสุทธิ์แล้วเนี่ยธาตรู้เหล่านี้ธาตุบริสุทธิ์เหล่านี้ก็ไม่หมดไปจากโลกเพราะมันเป็นของที่มีอยู่ในโลกแต่มันไม่มีอยู่แบบโลกโลกและก็ดํำรงอยู่อย่างนั้นไม่มีพไม่มีูไม่มีเวลามาขีดมาขั้นที่จะเรียวกว่าดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอ น, นันตกาล เป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องแม้เม็ดหินเม็ดทรายเราฟังดูแต่ ว, ว่าหลงตาท่านว่านับตั้งแต่เวลาวินาทีนั้นเป็นต้นไปกองทุกข์ที่จะผ่านในหัวใจเท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเลยกับพวกเราที่แบกกองทุกข์อยู่ทุกยืนเดินนั่งนอนทุกย่านก้าวมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเท่าไหร่เราพูดอย่างนี้เราเราลิกนึกถึงผู้มีพระคุณคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทําบุญให้ทานและเราลึกถึงพระองค์ แม้แต่การที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจฟังเพื่อเกิดความรู้ต่างด้านอัดธรรมเหล่านี้เขาขอให้เราตั้งใจอุทิศส่วนบุญถึงพระองค์โดยทั่วกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่เราดําริตั้งใจที่จะมาได้ยินได้ฟังมาศึกษาธรรมศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะน้อมนำไปตั้งใจปฏิบัติให้อัดได้อัดได้ทำได้มกักได้ผลสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอานิสงส์ในตัวย่อมมีผลในตัวขอให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำให้มีผลปรากฏในหัวใจของเรา ผลเหล่านี้จะทำให้เราได้ประสบความสุขความเจริญได้อับได้ได้ทำอย่างแท้จริงปรณนามาสมควรก่เวลาเอวัง <c oughs> นานเท่าไหร่ฮะโอสองชั่วโมงเหรอ <c oughs> เอาไป น, นั่น <c oughs> นี่แหละรับตาพูดเป็นอย่างนี้แหละดีลืมมายังเต็มห้องอยู่เนี่ย <c oughs> ทำไมอยู่ได้เต็มห้องฮะฟ <c oughs> ังรู้เรื่องหรือเปล่าเหมันนึกด่าไปพร้อมนันจบแล้วเกินยาวแล้วเกิน <c oughs> เอว่าจะพูดโทพูดโทมันไม่ได้พูดโทแล้วเนี่ยนันจบแล้วเกินพัวแล้วเกินพัวแล้วเกินนันจบแล้วเกินเอาอย่างงั้นเหรอ <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าใจเราไปฟังอีกเราจะเข้าใจคือเราอยากให้รู้ช่อง รู้ข้อปฏิบัติได้ช่องปฏิบัติรู้ที่ไปรู้ที่มารู้เหตุรู้ผลว่าทาไงทํายังไงเรามันจะเป็นที่หวังกับเรามันไม่ใช่ว่ามันหลุดม้หลุดมือไปแล้วแต่มันสาคัญว่ามันหลุดไม้หลุดมือไปเพราะว่าเราขาดความอุตสาห์พยายามเท่านั้นเองขาดสิ่งกระตุนต้นเตือนขาดสิ่งกระตุนต้นเตือนเพราะฉะนั้นที่บ้านอารีจึงเป็นแหล่งกระตุนต้นเตือนธรรมะของกุฏิเจ้า พวกเราได้ได้ยินได้ฟังทุกระยะทุกเวลาพวกเราทั้งหลายอนุโมทนาให้กับบ้านอาลีด้วยตั้งใจวุทิศ ส, ส่วนบุญให้ในหลวงด้วยกับบุพการีของเราด้วยโดยทั่วกันเอานี้รอบที่สองจบแล้วอ่าขอาวกองพ่ อ, ขอกขวาดแค่พเอ่า อ, อีอ่รนนี้ เยานานิเจตุปเยานานิสัตถิวารานิสัสสิวารานิสีลวันตสาสีลวตสาโอนโชิยามะโอนโอชยามะสาโนันเตสาุโนันเตสีละันโตสีันโตนานสีลวาสีลวาสีลวาสีวา ส่วนบุญไปนะ <c oughs> เอา้ายังไม่ถวายตอนนี้ให้พรเลยเนาะ <c oughs> ยะท้าวาริวะหาปูราปริกปูเรนติชากขรงังเอ ว, มวเมว้โตทินนางเปตานางอุปกปะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวปชันตุสปโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาไปจายโน จตาโรโอธรรมาวะทันติอายุวโนสุขัง พ, งพระลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสถีพ a วันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสตาโสถีพ a วันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานพาเวนะ ส, สท้าโสธีพระวันตุเตมอโอ้เกินสองทุ่มไปนิดหน่อย <c oughs>